จเจริญธรรม ท, ทุกคน <c oughs> สบายดีอยู่หรืออ <c oughs> อ, อวันนี้วันที่ยี่สิบสิงหาคมแล้วพรุ่งนี้เราก็จะได้นายกแล้วพรุ่งนี้เราก็จะได้นายก วันนี้เรามาแบกกัะทก่อนเรามาแบกกัะทก่อนก่อนนายนายนายกจะ ย, ยกเราก็แบกกัะทก่อนและคนเคยคิดไหมว่าอาตมาเนี่ย เอาอะไรมาพูดมากมายพูดไปเอาอะไรมาพูดก็เออเอานั้นอันนี้มาพูดยกเขตยกผลอะไรมาพูดไปแล้วพูดไปก็ไม่ใช่พูดเอาดนโลนดนว น, ว น, ว น, วนไปเองอะนะเอาหลักฐานจากไอ้ที่เขามีอยู่แล้วคือของพระจตุรดกเนี่ยมาประกอบมาเป็นหลัก ยืนยันในการพูดไปหยิบมาจากพระธรบิดกคำหนึ่งสองคำห้าคพูดไปห้าวันอะไรเงี้ยไม่รู้ออกอะไรมาพูดไปเอามาจากไหนเคยคิดมั้งว่าไม่เอามาจากไหนเอเอเราคิดว่าไงว่าอาจะมาเดาเดาว่าอาจะมาไปเอามาจากไหนนะ ของเก่าของเก่าอ้าวเอามาจากของเก่าของเก่ายัางไงไปซุกซ่อนไปเก็บไว้ตรงไหนอะฮะในสัญญ า, ญญาออมันมันรู้สึกแปลกแปลกมั้งไหมว่าเอ๊ะทำไมมาพูดไปยังไม่เคยเห็นใครพูดอย่างงี้ไม่ได้ยินได้ฟังอะไรเงี้ยรู้สึกม้งไหม ฮะรู <stakes à S 1> ้สึกเหรอฮะไม่รู้สึกเงิดมหาสจัลเงิดมหาสจัลอ่าเปิด Google ดู้สิเงิดกับแปลมหาสจันแปลว่าไงอ่าเปิด Google ดู้สิ คือที่จริงละมันมีเหตุมีปัจจัยมันมีเหตุอยู่ดีดมันขึ้นมาเองไม่ได้หรอกอยู่ไม่ดีมันไปเอามาจากไหนจะปรุงแต่งไปเอาอะไรมาสร้างนิยายสร้างเหตุผลสร้างอะไรอะไรร้อยเรียงอะไรอะไรเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะไปร้อยเรียงไปแล้วก็จะไปอย่างมันก็มันก็มีการสัมพันธ์กับของเก่าอยู่นะ ร้อยเรียงไปใหม่ก็สัมพันธ์ก็ของเก่าๆเก่าไปใไไหม่ก็สัมพันธ์ของเก่าๆเก ๆ, ๆอยู่แล้วยายออกไปอีกก็สัพันธ์ของเก่าๆเก่าอยู่เอออันนี้สิไม่ได้หมายความว่ามันไปเรื่อยๆบ้าบไปออไปหวังหวังบเลี้ยวหลงังเอินสังเจ้าเอือนสังไก่ก็จังเอือนสังไก่ในเด้อนะ มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็มีวนวมีเหตุมีปัจจัยวนทุกอย่างมันวนอัตมาที่มาพูดนี่ก็วนเอาอะไรแต่อะไรมาพูดนี่ก็วนวนจากเก่าเขาอัตมาเองแล้วมันก็จะมีใหม่ขึ้นมาอีกก็วนลงไปหาเก่าอีกวนอย่เงี้ยเพราะงั้นในวัฏสงสารนี้หรือว่าในโลกในจักรวาลพวกนี้มันมีแต่เรื่องความวนวนวนวนวนวน รู้เจ้าท่านตรัสรูนิฮั่นตรัสรูเลอหยุดความวลนหยุดสักทีหนึ่งความวลนมันก็แปลกนะเราจะหยุดความวนนะ่นเราหยุดได้พอหยุดได้มันยีความวลนมันยีกว้างขึ้นพอหยุดความวล น, นอีก ความวนยิ่กว้างขึ้นอีกยิ่งมีหลายวนอีกวนซับวนซ้อนหลายวนมาให้เห็นอีกเออมันแปลกมันแปลกหยุดยิง่งหยุดยิ่งวนยิงย่งหยุดยิ่งเห็นวนเยอะซ้อนซ้ซ้อน ซ, อน ซ, อนซอน้เข้าไปเข้าไปนี่มันเป็นเรื่องที่แปลกมันเป็นเรื่องที่เออ น่าฉงนน <c oughs> สังคมประเทศชาติก็กำลังจะไปเรื่อยเราก็เอามุ่งหวังอะไรก็คงไม่ไม่ไม่ไม ม, ม, มุ่งหวังอะไรมากมายก็คิดว่าทุกคนคนเป็นคนในประเทศก็ตามก็คงจะอยากให้ประเทศนี่จเจริญก็คงไม่อยากจะให้มันพังทลายเรือยมันล้มเหลวอะไรหรอก แต่ในแง่ของความเจริญของแต่ละคนคิดมันเจริญแบบไ ห, ไหนไหนไหนที่แท้มันก็เจริญเพื่อที่จะให้ตัวเองเน่ได้อำนาจได้ลาได้ยศนี่เจริญตัวนี้มันแคบๆตรงนี้อ่ะที่มันทำให้เดือดร้อนกับคนอื่นก็อยู่และไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะบานปลายทัโลกทโกไปจะเอาทั้งอำนาจจะเอาทั้งทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเป็นเรื่องหลัก มันก็เลยวุ่นวาย <c oughs> แต่ก็รู้กันรู้นะเสร็จแล้วก็พยายามหาทางพยายามที่จะไปหาที่วิธีต่งตา ง, า ง, างๆนานาตามที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะได้แล้วเขาก็ทํางินเพื่อที่จะให้มันเป็นไปดังที่ว่านี้ได้ก็ช่วยกันทําช่วยกันคิดช่วยกันลงมือไปตอนนี้ก็ดูท่าที อูท า, าทีก็เป็นลําไม่ไพ่อยู่ท่ า, า, าทีเป็นลําไม่ไพ่หน่อไม้เรื่องว่าไม่ไพ่เนี่เกิดวันวันหนึ่งเป็นฟุตนะมันยาวขึ้นยาวขึ้นวันนึงเป็นฟุตห น, น, น, น, น, น, น, น, น่อไม้เนี่โอ้หน่อไม้มันโตเร็วจังเลยไม่รู้หน่อไม้วันหนึ่งถ้าเปิดว่าเอที่มัน ต้นไผ่ต้นเนอ็นเจงๆนี่มันวันนึงเป็นฟุตถ้าไม่ง่ายก็5นิ้วหกนิ้วขึ้นไปวันขึ้นต้นเป็นลำไม่ไผ่แต่ลงท้ายจะเป็นอะไรอย่างดูก่อนก่อนเราไม่รอเราไม่หวังอะไรเข้าไปเราก็ทำของเรานี่แหละ อตาตมาก็าย้ำซ้ำซากแล้ว่าเราอาตมาว่ามันมีงานที่สำคัญอยู่ก็คืองานให้คนนี่แหละดีขึ้นงานสร้างคนเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยุคนยุคนหนก็เป็นเป็นงานที่ต้องทำสร้างคนเป็นงานสร้างคนอาตมาว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานที่จะต้องสร้าง เป็นงานที่ยิ่งใหญ่สร้างยุคไหนเกิดมาชาติไหนชาติไหนก็ได้สร้างน่ยยิ่งเป็นพระโรธิสัตว์เนยโ อ, โอยิ่งเห็นจริงเลยเป็นความจริงเลยที่จะต้องกระทำเราพยายามจะเป็นมนุษย์ในภาษาของเราเรามาเรียกว่าบุญนิยมเรามาเรียกว่าบุญนิยมแล้วเราก็จะพยายาม กรอก อ, กอสืบสารกันให้ได้บุญนิยมก็เป็นคํารรมมาพูดขึ้นมาพูดในมันสมัยนี้เท่านั้นเองแท้จริงก็คือระบอบของพระพุทธเจ้าเป็นทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าท่านพาธรรมเนื้อหาสาระเป้าหมายแม้แต่วิธีการต่างๆก็เอามาจากของท่านทั้งนั้นแต่เราก็มาพิสูจน์ทีนี้คนมันไม่เชื่อ แต่ปางนี้ยุคนี้มันไม่เชื่อทั้งทั้งที่เขาก็นับถือบูชาเคารพกราบไหว้าอบพระพุทธเจ้าถือาศาสนาพุทธ เ, ออเป็นสาณะเป็นที่พึ่งแต่ไปพึ่งอะไรก็ไม่รู้ไม่เกิพพึ่งพุทธเลยนะออไปพึ่งผีพึ่งเงินพึ่งทองพึ่งโรคโลกเขาไปพาไปไปพึ่งอะไรไอะไรที่เขาเห่กัน แย่งกันแล้วก็ไปไปโน่นไม่หาทางที่จะมาเข้าหาเนื้อหาว่าพระพุทธเจ้าพาพึ่งพระผาพึ่งอะไรซึ่งก็พอรู้กันศึกษาบางทีสอบกันได้ตําแหน่งหน้าที่ได้ใบไปรับรองใหญ่โตสูงส่งอะไรต่างๆนานาแล้วเอาไปใช้หาเงินหาทองอีกซ้อนต่อไปอีกแต่เสุดท้ายเขาก็ไม่ได้นําพาว่าไอ้ที่ ท่องมารู้มาแล้วก็จะเอามายืนยันแต่เขาไม่ได้ทำตามมันเลยว่าพึ่งคุณธรรมง่ายๆว่าพึ ง, พงคุณธรรมพึ่งพระพุทธพระรมพระสงค์ก็คือเป็นเครื่องหมายเท่านั้นเองว่าจริงๆพระพุทธรธรรมพระสงค์คืออะไรก็คือเราจะต้องเอาจากพระพุทธพระธรรมประสงค์เนี่ยมาให้เราได้เป็นตัวพึ่งตนพึ่ง ตนที่มีคุณธรรมตนที่มีพฤติกรรมที่ดีมีจิตวิญญาณที่ดีก็ไม่ได้มาใส่ใจที่จ ะ, ป, ะปฏิบัติตัวนี้เลยนะอัตมาขยายความจากบุญนิยมที่สมบูรณ์11ประการนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายมาถึงข้อสองโลกุตระซึ่งมันเป็นความหมายที่พูดไปได้อีกร0 0ยปีคำว่าโลกุตระคำเดียวเนี่ยพูดได้ร้อปี นี่ก็เลยมาอยู่ตรงนี้ขยายความกันไปเข้าไปหาธรรมะอยู่มากก็จะวักว่กเว้นเว้นบ้างเพราะว่าบางทีไปพุทธชีวศิลป์มันก็อธิบายธรรมะลึกซ้อนอยู่แล้วมากอยู่แล้วนะข้าวก่อนนี้อาตมาก็อธิบายเรื่องเข้าไปสู่สติปัฏฐาน ก็ไปสุกายในกายแล้วเราก็ขยายพุทธชีววิชินก็ขยายกายในกายอะไรไปพอสมควรแล้วนะก็วันนี้ก็จะผ่านนะผ่านไปหาเวทนาในเวทนาบ้างกายในกายมันก็คือนามนามนะกายในกายนี่คือนามธรรมพอเข้าไปเป็นกายในกาย เพราะงั้นที่ย้ำนักนาเนี่ยคนเข้าใจว่ากายตามภาษาไทยว่าเป็นเครื่องเรื่องของข้างนอกร่างร่างข้างนอกกายมันก็เลยติดติดกักเลยไปไม่ได้จริงๆองค์ประชุมของความเป็นนามกกายนะคากายคาายํานี้เมื่อนา ม, มากายมันเลื่อนเข้ามามาเป็นจิตมาเป็นเวทนา เป็นจิตมาเป็นเวทนามันก็จะต้องอ่านอารมณ์เวทนาอารมณ์จิตก็คือตัวอาการาธาตุรู้ต่างๆที่มันสังขารสังเคราะห์กันอยู่ในจิตนี่แหละถ้าเราได้แก้พวกนี้ได้พวกนี้ถูกต้องได้แก้ได้ถูกต้องแก้ก็คือจับเหตุที่มันไม่ดีนี่เปลี่ยนแปลงมันเสียเรื่อว่าระ ง, งับมันเสียแล้วก็สร้างให้มันมีพลังงานใหม่ เหตุเก่าเปลี่ยนแปลงเหตุเก่าที่มันมีตัวกวนตัวรวนตัวทำให้ไม่ดีนี่ออกไปมีพลังงานใหม่เกิดพลังงานสร้างสรรค์ที่ใหม่ขึ้นมานี่คือการแก้ไขหลักที่ต้นเหตุเลยของพระพุทธเจ้าโดยการรู้ทั้งสังคมท่านจึงได้ให้ปฏิบัติลืมตา ใครรู้จักสังคมรู้อยู่สังคมเป็นยังไงบุตรบาทลีลาอะไรก็เป็นอยู่เนี่ยกระทบสัมผัสแล้วมันปเกิดที่จิตเราอ่านเป็นกายมาประชุมกันเข้าแล้วก็วิเคราะห์วิจัยอาการที่มันประชุมกันนั่นแหละก็มันมีรวมเงนทั้งหมดนั่นแหละประชุมกันอยู่นั่นแต่ในจิตมันประชุมกันอยู่เวทนาสัญญาสังขารเจตนาผัสสะ มนัสิกาลต่างๆอยู่ในนี้หมดน่ะอาศัยมหาภูต ร, รูป4เป็นตัวข้างนอกที่เชื่อมโยงข้างนอกแล้วว่าเข้าไปสู่ข้างในเมื่อเป็นกายในกายองค์ประชุมนั้นเจาะลงไปเป็นเวทนาเวทนานั้นคืออารมณ์คือความรู้สึกตัวนี้เลยเป็นตัวหลักที่มันเป็นตัวการใหญ่เลยถ้าอารมณ์ชอบอารมณ์ชังเนี่ยะรู้มันจะได้แล้วก็ชัด เจนลึกซึ้งขึ้นไปว่าคนเรามันหลงแต่อารมณ์สุขหลงแต่อารมณ์สุขสุขจะไปแย่งไปชิงใครได้มาสมใจตามตัวผีใหญ่จางสุเลี้ยงใหญ่บงการอยู่ข้างหลังลึกๆต้องการได้มาต้องการฆ่าคนอื่นต้องการจัดการคนต้องการทำลายคนอื่นอะไรอยู่เนี่ยบงการอยู่เนี่ย ได้มากก็สู้ไม่ได้ก็ขัดข้องทุกข์ดีไม่ดีไม่ทุกข์ธรรมดาโกรธแค้นนะรุนแรงโหดร้ายขึ้นมาเลยเพราะงั้น้าไม่ศึกษาพวกนี้จริงๆเลยแล้วแก้ตัวต้นเหตุนี่จริงๆเลยเนี่ยมันไปไม่รอดสังคมยังไงยังไงมันก็เป็นาธาตุกิเลกกิเลม พัฒนาตัวมันขึ้นทุกวันทุกวันว น, นี่เวทนาเนี่ยพระเจ้าท่านได้เจาะลึกไว้เลยถ้าไม่รู้จักเวทนาเนี่ยที่จะแยกไปร้อยแปดวันนี้ลองพูดให้มันครบดูสิอนะครบๆดูรด้อยแนี่หลายคนก็ฟังผ่านหูมาแล้วจำได้ไมั้ยจะพูดให้อตมาฟังได้ไมั้ยเวทนาเท่าไหร่บ้างเวทนาสอ ห้าหกสิบแปดสามสิบหกโอ้เก่งเว้ยผิดคาดเว้ยแต่มันร่วมกันคิดคนละนเล็กคนละน้อยจำคนละอันได้เฮ้ออดีเวทนาตั้ง108ร้อยแปดเหรอพูดกันได้โอ้โหเก่งจังนะเวทนาสองมีอะไรบ้างกายิกกระทุกข์กับ เรียกว่าไงภาษาพจน์ชัดเต็มๆมันเจตสิกกทุกนะไอ้ทุกเนี่ยนะมันแกตัวกำกับเลยว่ามันคืออาการของใจกา ย, ยิกระทุกก็คืออาการของใจที่มันทุกเพียงแต่เพียงว่าจะแปลคําว่ากายนี่เป็นอะไรถ้าแปลกายนี่มาเป็นดินน้ำไฟลมมันทุกเพราะดินน้ำไฟลม คุณก็ไปดูว่าเออมันทุกข์เพราะดินน้าไฟลมดินน้ําตอนไหนแท่งไหนตอนส่วนไหนที่มันปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างเนี่ยดินน้าไฟลมเป็นร่างเป็นตัวหุ่นร่างมันทุกข์เพราะเหตุมันเจ็บมันปวดมันถูกทุบถู ก, ถกนั่งทับถูกตีถูกตัดถูกอะไรเป็นแผลเป็นเจ็บเป็น ฝีเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะมันทุกอย่างไงซึ่งทุกอย่างนั้นน่ะมันมันเป็นเรื่องของนายแพทย์มันเป็นเรื่องของหมอไม่ใช่เรื่องของาศาสนาพุทธทุกอย่างนั้นน่ะมันเรื่องของนายแพทย์แต่ถ้ากายยึดกระทุกทิมไปในไม้เอาไอ้ดินน้าไฟลมกายคือโครงโครงร่างดินน้ำไฟลมไม้ถึงองค์ประชุม องค์ประชุมที่ว่านี่มีหมดมีหมดทั้งดินน้มไฟลมแล้วสัมผัสกันสังเคราะห์กันเ ช, ชื่อมโยงกันไปหาจิตนะเชื่อมโยงกันไปหาจิตทั้งหมดทำงานอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยตั้งแต่หยาบกลางละเอียดครบ เรียกว่ากายทั้งหมดเลยแต่เราจะไปเรียนทีเดียวทั้งหมดมันก็เรียนไม่ได้แล้วก็เรียนไปเป็นขั้นเป็นตอนรวมแล้วมันก็ไปดูอารมณ์รวมว่าเป็นเวทนาองค์ประชุมนี่มันก็เกิดความรู้สึกรวมเป็นอารมณ์หรือเป็นเวทนามันทุกข์มันสุข พระกายกระทุกก็คือทุกข์สุขถกทุกข์สุขสุขกนี่แหละที่บอกว่ากายเพราะว่ามันเนื่องจากข้างนอกมันทุกข์เพราะอะไรุเพราะโอ้โหเจอมาพรารูปนี้สวยยังเลยอยากได้แต่ไม่ได้กระทุกมันทุกข์มีเหตุข้างนอกกายเกี่ยวกับข้างนอกด้วย แล่ถ้าไม่มีอะไรที่จะมาเงื่อนไขว่าอันนี้เป็นนา ม, มากายอันนี้เป็นกายในเข้าไปลึกๆอีกทีนึงจนเป็นเวทนาให้ระบุที่เวทแต่ถ้า้ไม่เวทนาก็ตามคุณก็ต้องโยงใ ย, ยมาถึงเหตุข้างนอกด้วยเพราะยังชื่อว่ากายอยู่อ ถ้าไม่ชื่อว่ากายแล้วเข้าไปเป็นเฉพาะเรียกเฉพาะความเป็นรูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เป็นนามมารูปข้างในมันก็อีกอันหนึ่งความหมายหนึ่งเพราะฉันเจตสิกกทุกขกับกายยึกระทุกขเจตสิกหมายถึงอาการในเลยเจตนาอ่านตัวในมันทุกข มันทุกข์อยู่ข้างในจิตจิตทุกข์เอาตัวทุกข์ทุกจิตจิตมันอาการทุกข์ซึ่งมันจริงๆแล้วแม้แต่กายยังกระทุกมันก็จิตทุกข์นั่นแหละแต่มันโยงใหญ่ข้างนอกทีนี้เน้นมาที่ตัวทุกข์ก็มาชัดเจนอยู่ตัวนี้ก็มาจบอยู่ตรงที่ว่ามันทุกข์ตรงนี้และตัวทุกข์ตรงนี้ก็เจาะลงไปอีกหาจิตในจิตอารมณ์นี่คือตัวบอกอาการบอกสภาพว่ามันทุกข์มันสุขลงไปในตัวนี้ก็คือจิต มันทำให้ทุกข์ให้สูงนี่ก็คือเหตุทั้งจิตนั่นแหละเพราะ้บางทีมันไม่ได้มีอะไรกระทบหรือไม่มีอะไรทางกายเลยมันก็ทุกข์ได้นั่นเรียกว่าจิตเจตสิกะทุกข์เช่นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบมันมีแต่สัญญากาหนดขึ้นมาจำบ้างคิดขึ้นเองใหม่ๆบ้างเช่นแม่ อยากไปนอกโลกจังก็คิดฝันกันมมาเื่ออยากจะไปนอกโลกจังทำไงจะได้ไปนอกโลกนี่มันไอ้ไปมันทึนทัดมันก็ทุกมันก็คิดขึ้นมาเองมันเป็นเรื่องปั้นสร้างขึ้นหมาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี่เป็นต้นหรือไปเอาความจํามาคิด มันไม่เกี่ยวกับข้างนอกนี่แล้วไม่เกี่ยวเลยเพระยะเจต ศ, ศิกทุกก็คือเรื่องราวของจิตโดยตรงของมันทกายิ่งทุกก็คือทุกที่มันเกี่ยวเนื่องอยู่กับข้างนอกนถ้าพูดเช่นนี้แล้วเนี่ยปฏิบัติได้ดับทุก์ได้แล้วดับทุกอริยสัตว์ด้วย เพราะมันเป็นจิตเรื่องทุกข์ของกิเลสเหตุเนี่ยมันกิเลสแต่ถ้าไปแปลกายว่าทุกข์เพราะกายมันมันปวดกามันเจ็บเหตุอาการของกายมันไม่สมดุลตรงนั้น่างนี้คุณแก้คุณก็แก้ที่เหตุของกายมันปวดเพราะอะไรปวดไปเป็นฝีคุณก็ไปแก้ฝีอ่า มันไม่ใช่การแก้อริยสัตว์มันไม่ใช่แก้ทุกอริยสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหมายเอาสัตว์จะทำเป็ประมาทมันแก้ทุกอริยสัตว์เพราะกายยึดกับทุกมันไม่ใช่กายมันไปแก้ที่กายมันเป็นเรื่องของกายจริงๆ ร, ร่างโครงอินดีน้าไฟลมจริงๆมันทุก บอกได้อย่างงั้นมันก็แก้ที่หน่วยการบําบัดรักษาเป็นแพทย์เป็นเหตุปัจจัยทางโครงสร้างข้างนอกไม่ใช่สูตรพระพุทธเจ้าอริยสัจอะไรถ้าชัดเจนอย่างนี้แล้วก็จะไม่ผิดเป้าในการปฏิบัติธรรมนะกายยึ ก, กทุกกด็ดีเจตสิกทุกกด็ดีถึงมีนัยยะที่ต่างที่อาตมาอธิบายไปคร่าวๆแล้วถ้ากายยึ ก, กทุกขก็ต้องยังโยงยายพระเหตุถึงข้างนอกอยู่ ถ้าเจตสิกทุกข์ไม่เกี่ยวกับเหตุข้างนอกก็ได้ปั้นขึ้นเองก็ได้ความจําก็ได้มีอยู่ในจิตนั่นแหละนีน้เป็นต้ น, นทีนี้มันทุกข์มันสุขมันก็มีสุขมันมีทุกข์มีสุขมีไม่สุขเป็นเวทนาสามตัวเวทนาสามนี่แหละมันเป็นตัวหลักตัวหลักที่จะ แก้ไขอริยสัจได้เลยว่าเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งสุขอ่าที่นี่มันเป็นทุกข์เป็นสุขนี่มันเนพระพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่เอาแต่ทุกข์แต่สุขโดยที่เรียกว่าไม่มีที่มาที่มาของท่านก็หทวารสังเคราะห์กันสังขารกันตาหจูจมูกลิ้นกายใจเพราะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นก็มีน้ำหนักอาการของสุขเรียกว่าอินรีห้าเรียกว่าเอศนาห้า สุขเกี่ยวกับภายนอกก็เรียกว่าสุขเลยสุกินสีสุขข้างในก็เรียกว่าสมมันนัดศินสีสุขข้างในสุขข้างนอกรวมไปหมดเลยทั้งข้างนอกแต่ข้างในแหละสุขทุกข์มันก็อยู่ข้างในหมดนั่นแหละยังไงก็ทิ้งข้างในไม่ได้หรอกทิ้งจิตทิ้งวิญญาณไม่ได้มันก็ไปรวมอยู่ข้างในนั่นแหละ แต่ถ้าเกี่ยวกับข้างนอกอยู่ก็เรียกว่าสุขทาลึกก็ไปเหลือแต่ข้างใ น, นก็เรียกสมนัตทกุก็เรียกมันไม่ใช่สุขนั่นแหละมันก็ทุกอาการทุกถ้าผูดกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องอาการก็ไม่เป็นมันทุกขึ้นมาในใจแล้วจริงๆเราก็ยังไม่รู้ว่าอาการอย่างงี้คือทุกจะมาก็หมดหมดภูมิปัญญาจะพูดกันแล้ว จะจะแนะนำจะสอนกันยังไงก็คงไม่รู้แล้วจะรู้จะสอนยังไงแล้วทุกข์ก็ข้างนอกโทมมนัทก็ข้างในคล้ายๆกันนะแต่มันคนละอย่างสุขอย่างหนึ่งทุกข์อย่างหนึ่งอารมณ์คนละอารมณ์กับเฉยๆนะกับเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรียกว่าอินรียห้าของมันทุกขินสี่สุขสินรี่โทมมนัท โมนัสิสนซีสมานัสินซีอุเบกขินซีทีนี้มันจะเกิดมีน้ำหนักมากน้อยหรือมีน้ำหนักทุกมากทุกน้อยสุกมากสุกน้อยก็มีน้ำหนักของมันหมายถึงอินทรีย์ด้วยหมายถึงอินทรีย์น้อยด้วยนอกก็ดีในก็ดีก็หมายด้วยหมายถึงน้ำหนักของมันมากน้ำหนักของมันน้อย ก็อินทรีย์มันมีกำลังกําลังมากกําลังน้อยทุกมากทุกแรงก็ทุกลงมาหนอน้อยลงมาน้อยลงมาทุกเหลือน้อยนอยเท่าไหร่ก็แล้วแต่หรือสุขก็เหมือนกันอาการอารมณ์มันสุขมาก ม, มาสุกกลางๆสุกน้อย ๆ, ขขๆนี่ก็เป็นอินทรีย์เหมือนกันเป็นน้ําหนักของมันทีนี้มันสุขที่มันเกิดจริงได้ต้องสัมผัสปัจจุบันนี้ เรียนรู้เป็นกายกระทุกนี่แหละกายกระทุกนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงพิจารณาตั้งแต่จับตัวกายแล้วก็มาเรียนรู้กายในกายแล้วก็อ่านเข้าไปถึงข้างในนา ม, มากายเข้าไปจัดการกายเนี่ยด้วยวิโมกแปร จัดการกายด้วยวิโมก8โดยมีวิโมกสมเนี่เป็นตัวจัดการสมข้อเนี่ยให้รู้รูปรู้น้ำรู้ข้างนอกข้างในรู้ตั้งแต่รูปไปถึงอรูปอะไรนี่สรุปง่ายๆวิโมกวิโมกสเดี๋ยวค่อยขยายความวิโมกกันไปพูดถึงเวทนาร0อยก่อนพอนสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจ ก็ใจนี่แหละเป็นตัวเชื่อมกับอีกหาทวารก็เป็นหนับตัวมันเองนับใจมันเองหกที่จริงมันก็เหลือแค่ห้านั่นแหละเพราะงานเวลาท่านไปนับอยู่ในภาวะราษาทรูปในภาษาทรูปกับโครจรรูปจึงเหลือเก้า่าตาหูจมูกลิ้นกายและก็ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยรวมแล้วมันก็ต้องหดเป็นหนึ่งหดเป็นหนึ่งคือตัวสัมผัสแล้วก็ตัวรู้เรื่องสัมผัสแล้วก็รู้เรื่องเนี่ยรวมมันอยู่อันเดียวกันถ้าไม่มีสัมผัสก็ไม่รู้เรื่องถ้ารู้แต่เรื่องมาไม่ไม่ไม่มีสัมผัสมันก็ไม่ครบมันก็ไม่จริงมันก็ไม่มีกายเพราะมัวนวิโมกขแปดด้วยกายมันก็ไม่ได้ เมื่อสัมผัสรู้เรื่องแล้วแล้วก็มันเกิดอารมณ์สามนี่แหละมันสัมผัสต่างแตาก่อนเนุกก็ได้ทุกข์ก็ได้อุเบกขาก็ได้หูจมูกดิ้นกายเหมือนกันหมดยังเป็น18เป็น18คนไม่ได้ศึกษาคนสามัญปุถุชนทุกคนที่เอาวิชามันก็ปรุงปุ๊บสัมผัสแล้มันก็ปรุงปุ๊บเป็นสังขารปรุงปุ๊บ ปรุงขึ้นมาทุกทีมันก็เป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์เฉยๆนี่นทุกทีอ่ะเพราะงั้นสังขารที่ปรุงปุ๊บเนี่ยก็คือเวทนานี่ยแหละสังขารที่ปรุงทีไรก็เวทนานะปุถุชนไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างที่กําลังอธิบายนี่ถ้าศึกษาไม่สมาธิมันก็ไม่รู้อย่างที่กําลังเบอืออย่างที่เรากําลังพูดนี่ด้วยนะไม่รู้หรอก สังขารอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารสังขารใ็นปัจจัยอวิชานี่มันไม่รู้มันสัมผัสก็ปรุงปุ๊บเลยด้วยอาวิชามันไม่ได้เรียนรู้นี่คือไม่ไม่รู้กระ บ, บวนการของจิตทั้งหมดนี่เรียกว่าวิชาปรุงพับก็ไปมันก็เป็นอารมณ์พอเป็นอารมณ์แล้วเป็นเวทนาในนั้นสังขาร น, นี่แหละรวมแล้ว เวทนาสัญญาสังขารสังขานี่แหละปรุงขณะนี้เรากําลังพูดอย่างต้นคือกายสังขารมันเป็นเวทนามันเป็นอารมณ์มันปรุงแล้วมันก็เป็นเวทนาสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขหรือไม่ทุกข์สามอย่างนี่แหละจากเหตุเนี่ย เสร็จแล้วพูดที่ไม่ศึกษาปล่อยเองให้อตัวนี้นะมันเป็นตัวเจ้านายจูงไปบอกว่าเฮ้ยมันต้องเอาสุขนะไม่เอาทุกนะทุกคนดิ้นจากทุกไปหาสุขทั้งนั้นนะดิ้นออกจากทุกแล้วก็ไปยึดติดอยู่ที่สุขเซฟอยู่ที่สุขนะถ้ามันเมื่อยมันเพลียหรือมันอะไรมันก็พักยกอุเบกขา ผักยกมลลักษณะของลักษณะสามัญพวกนี้นะ่หกทวารสุขทุกไม่สุขไม่ทุกเนี่จึงเป็น18มนโนปวิจาร18คือพฤติกรรมจาระเนี่ยพฤติกรรมพฤติพฤติของจิตอาการของจิตทั้งหมดที่เกิด18ประการนี่เป็นอย่างใดอย่างใดก็ได้ใน18บเนี่ยมาจากตาจากงูจมูจากดินจากกาย แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคนไม่ได้เรียนรู้อย่างที่ว่านี้เนี่ยจมอยู่ในพวกนี้แล้วก็มีตัวต้องการเป็นเหตุและก็บำเรอตัวต้องการเนี่ยจึงเกิดอาการสุขหรือทุกข์ถ้าไม่ได้สมใจก็ทุกข์ได้สมใจก็สุข ก็เป็นอยู่อย่างนี้อ่ะพอศึกษาแล้วไปสังเกตไปอ่านมันก็จริงที่สุดนะเพราะงั้นใครที่อ่านจิตของเราเมื่อมัเกิดสัมผัสแล้วก็อ่านอย่างนี้ได้คนนั้นเรากําลังทําสติปัฏฐานกําลังทําสติปัฏฐานถ้ายิ่งมีการสังวรระวังรู้ตัวทั่วพร้อมไปสัมผัสอะไรก็พยายามอ่านให้ทัน อ่าจิตเกิดอารมณ์ยังไงก็อารมณ์ก็อาก่อานเวทนาในเวทนาแล้วก็ย่างลงไปถึงจิตเมื่อรู้อารมณ์แล้วก็ดูเหตุตามเหตุมันขึ้นไปเป็นสะระราคะหรือสะโทสะเป็นเหตุมันเกิดตัวราคะเป็นเหตุหรือตัวโทสะเป็นเหตุนี่จะทำให้เราสุขหรือทุกข์หรือข้างๆอยู่ว่ามันยังไม่สุขยังไม่ทุกข์ยังอยู่ระหว่างกําลังมีเหตุปัจจัยอยู่คุณก็จะเห็นเป็นหลายหลายลีลาพวกนี้ชัดเจนอยู่ในจิตของเราอ่ะ ถ้าเรียนจริงๆฝึกจริงๆเนี่ยจะรู้เลยพูดเนี่ยมันเหมือนกับช้าๆแต่จริงๆมันเร็วมันก็ต้องใช้สติตั้งใจทำไม่ได้อย่างที่ว่านี่พยายามตามรู้มันมันตามให้รู้หรือวิจัยมีธรรมวิจัยมีการวิจัยลงไปในใจว่าโอ้เนี่ยมันเกิดอาการจับอาการได้แล้วจับตัวเหตุมันได้แล้วนมันมันมันมันไม่ไม่ไม่ไม่หนีไปไหนหรอกมัน จับได้ยังไงยังไงเรียนให้โง่ยังไงก็จับได้อ่านได้จะเจอจะโจ์เจอตัวอยากตัวตัวที่มันเป็นตัวการเจอคุณปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่เถอะอาตมาว่าให้ต่อให้ไม่ฉลาดเลยโง่ยังไงก็สัมผัาฟังที่เข้าใจก็ไปปฏิบัติ ด, ดูเถอะมันต้องเจอจนได้น้อยมากแล้วแต่เพราะเราก็จะเจอเหตุ มันยังปรุงแต่งอยู่จะสุขจะทุกข์อย่างเงี้ยบำเริเงี้ยส8ปมโนปวิจารเนี่ยทีนี้ถ้าเราเริ่มสติปัฏฐานสี่อ่านสัมผัสลงไปแล้วก็รู้จลวก็ตั้งรู้ตัวเหตุและก็ตั้งใจฆ่าตัวเหตุกดข่มง่ายๆเนี่ยประหาร้ดยวิคัมปนาประหารอาการก็เบาลงคุณกต็ต้องเห็นอาการเออมันเบาลงอาการมันดิ้นรนน้อยลง หรือแม้ว่ามันสุกนี่มันไม่เที่ยงบำเพิญ ม, มาแล้วก็ดูอาการมัน เ, เดี๋ยวมันก็หายไปในะอารมณ์นั้นอาการสุขแวบสัปดปรุงแต่งปุ๊บเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายอาการสภาพนั้นหายมันอยู่กับคุณไม่ได้นานหรอกจะพยายามรักษามันไว้ยังไงยังไงมันก็ไปอยู่ มันไม่ได้เที่ยงไม่ได้คงมั่นไม่ได้ตั้งมั่นไม่ได้ยงยืนไม่ได้ถาวรไม่ได้สถิตเสถียรอยู่ตรงนั้นเลยนี่คือความหมายว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะไม่เที่ยงแต่กว่าจะมาได้อย่างนี้จงกระทั่งมาอยากได้เมื่อไม่ให้มันก็ทุกข์ทุกข์อย่างเงี้ยวันทั้าวันไม่มีตัวเหตุนี้มันก็ไม่มีตัวที่อยากไว้มีตัวที่จะต้องดิ้นรนว่าเป็นเป็นอาการทุกข์ขึ้นมาถ้ามันไม่มีเหตุเนี่ยมันไม่มี คุณก็พิจารณาพวกนี้ไปต่างๆนานาสารพัดเพราะเมื่อมันเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพลังชนิดหนึ่งของปัญญาเรียกว่าพลังปัญญามันเข้าใจพวกนี้พิจารณาไปมันก็จะเห็นอาการเออถ้าเราเข้าใจงี้มันก็เปลี่ยนนะกิเลมันก็เปลี่ยนดีไม่ดีมันหายหน้าไปเลยดีไม่ดีมันก็ไม่อยากละมันก็ไปดิ้นละไม่มีอาการนั้นในจิตละ ก็ทำดูทำไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆจับให้ได้ว่าเอออย่างงี้ถ้าเราใช้ปัญญาเข้าใจอย่างนี้นะจิตของเราเนี่ยมันมันมันไม่สู้กิเลสนะ่ะจิตที่เป็นอกุศลิกิจกิเลสมันไม่สู้มันมันสู้ความเข้าใจมันสู้สู้ความรู้ทันสู้ความฉลาดของเราไม่ได้เราก็ยิ่งจะเห็นทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ทุกข์หายไป พอเราปฏิบัติอย่างนี้มันหายไปก็เห็นนิโรธไปทาได้กี่ครั้งกี่คราวกี่เสมอเมื่อใดก็เมื่อนั้นเมื่อมันหายไปก็คือไม่มีตัวตนของมันอนัตตาถ้ามันมีอยู่ถ้ามันบำเรอได้มันก็เป็นสุขถ้ามันไม่บำเรอมันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่ตามใจมันไม่บำเรอมันมันก็คือทุกทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงถ้าไม่พิจารณาซะก็กดคมมันอยู่ไงกดคมมันก็ไม่หายมันได้ชั่วคราวมันได้นานขึ้นก็ได้กดคมเก่งๆ ก, งเกง็เก่งขึ้นแต่มันไม่เลือราหรอกเพราะปัญญามันไม่ล้างความติดยึดไอ้นี่ปัญญามันล้างความติดยึดมันล้างอุปทาน เพราะในขนาดที่เราเองเราจัดการกับไอ้ตัณหาที่มันกำลังเกิดนี่นะจัดหาตัดกามันเปลี่ยนแปลงไปได้สมมุติว่ามันนิโรธมันดับมันไม่มีมันก็ถ้าขับอุปทานนั่นก็ชั่วคราวมันก็หายไปตัวติดตัวยิดมันก็หายไปด้วยเพราะตัณหากับอุปทานมันตัวเดียวกันเมื่อมันหายไปจะพลังของปัญญาที่มันเห็นจริงเห็นชัดเห็นอะไร สัตทินรียกำลังของความเชื่อกำลังของความเห็นจริงของความรู้มันก็มีพลังขึ้นมีพลังขึ้นเป็นกำลังเป็นสัตทินสีสัตทินรีสัตทินรีสัตทินรียขึ้นปฏิบัติไปเรื่อยๆเร่อยๆรื่ๆเหตุผลพวกนี้นะ่ะไม่ใช่เหตุผลตรกกะแต่เป็นเหตุและผลของความจริงมันก็จะเกิดผลึกตกผลึกลงตกผลึกลงเป็นพลังปัญญาขึ้นเรื่อย ๆ, ๆเรย ๆ, ๆนี่คือ อธิปัญญาสิกขาเมื่อเกิดการปฏิบัติประพฤติแล้วอธิปัญญาสิกขาทำให้อธิจิตสิกขาทำให้จิตของเราเนี่ยทำได้ทำให้กิเลสลดได้ไอ้ทำให้กิเลสลดได้นี่ภาษาท่านเรียกรวมๆ ว, ว่าฌานเพ่งรู้แล้วก็เพ่งเผานี่เราไม่ใช่ความคิดนะ แล้วเพ่งรู้อาการเมื่อสัมผัสแล้วก็พิจารณาใช้ปัญญาประกอบคุณจะกดข่มบ้างแล้วงับไว้ไม่ให้มันออกมาเพ่นพ่านแล่ก็จัดการมันด้วยปัญญาพิจารณาไปด้วยในปัญญาไปเรื่อย ๆ, ๆด้วยแล้วกิเลสมก็ลดลงลดลงลดลงลด ล, ล, ลงเห็นนี่คือสภาวะที่จริงที่คุณสามารถทาแล้วอาตมาเอามาพูดเป็นห0 0พันเฟรมให้ฟังวันเนี้ย 5,000 เฟรมต่อ ว, วินาทีเนี่ยหนังเรื่องนี้สนุกไหมสนุกเหรอนี่หนังบูนะไม่ใช่หนังรักกำจักรกลังปราบผู้ร้ายอย่างสำคัญเลยกำลังปราบโจลตัวร้ายเลยนเนี่ยนี่หนังบูก็สู้คันน่ ะ, ะเออนี่หนังบูนะที่อธิบายเนี่ยหนงังโอโหห้ 50, เอา 5,000 เฟรม ต่อวินาทีเพราะเวทนาก็เกี่ยวข้องกันจิตก็เกี่ยวข้องกันกายก็เกี่ยวข้องกันเห็นไหมเมื่อเวทนาสิบแปดมันเป็นโลกีเพราะเวลาคุณปฏิบัติก็ปฏิบัติไปตามแต่ละหนึ่งเละหนึ่งน่นแหละทั้งตากระทบอยู่ก็เกิดทั้งหูก็กระทบอยู่ แล้วมนเกิดคราวนี้เนี่ยมันก็เร็วนะพอได้ริมมันสุกไม่ได้ริมมันทุกเดเร่ไม่ให้มันมันก็จะทุกข์มากดู่บ้ากหน่อยไม่ให้มันให้มันมันก็สุกไม่ให้มันก็ทุกข์แล้วมทุกข์ก็อ่านมันอยู่นี่แหละเล่นจะล่อเอาเถิดอยู่เงี้ยอ่านเข้าใจความเป็นจริงแล้วคุณก็จัดการมันด้วยปัญญาไม่ต้องไปคมอะไรเก่งขึ้นได้เรื่อยๆก็ไม่ต้องคม มีแต่พิจารณาความจริงที่มันจะเกิดปัญญาจะเห็นความจริงขึ้นเพราะงั้นโสรถยานหรือว่าปัจจนายานเก่ามันก็จะเจริญเจริญเจริญขึ้นดังที่เคยอธิบายวิปัจจนายานเก่าเกิดรุทธะพยาลุปัจจนาญานเกิดพังคานุปัจจนายานเกิดพยะตุปัานานญานอะไรขึ้นไปจนกระทั่งอาทีนวายานนิพพิทายานแล้วก็ปล่อยมุนจิตุงมยยตยาน นีเป็นตนพยัญชนะพวกนี้ไม่ใช่ว่าเขียนขึ้นมาเล่นๆคิดขึ้นมาเองไม่ใช่ท่านตราเป็นภาษาบัญญัติอันนี้เรียกสภาวะความจริงขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดกันมาว่าอันนี้มันหมายถึงอาการอย่างนี้ของจิตพตระยะตูปฐานญาณ น, นี่มันอาการอย่างนี้มันเกิดความฉลาดความเป็นญาณ ควเป็นปัญญามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้อาการนี้อาการจนนี่เห็นโทษมันก็เป็นอาการที่ปัญญามันเกิดเห็นโทษจิตก็จะเห็นมันอย่างนั้นมันไม่มันจะไม่เอาล้เห็นโทษนั้นมันก็จะเบื่อมันก็น่ายนิพิทาโนปัสสนายากมันก็เกิดจริงอาการของเจนเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้น่ารู้แผนที่รู้ทฤษฎีก่อน แล้วเราก็ไปทา ม, มันก็ยิ่งจะช่วยให้เราได้เร็วอ๋ออันนี้มันตามแผนที่ที่เรียนมาเลยตามปริยัติมันก็จะเห็นความจริงไปตามลาดับตามลาดับตามลาดับจนถึงขั้นปล่อยวางวางมุจจิตุกัมยตยาญาณวางจนเรื่องวางไปดับได้ไม่มีอาการไม่มีเหตุดับเหตุดับอาการการลดลงไปลดลงไปลดลงไปนี่แหละเรยว่าเนคคัมมะ สิตะเวทนาเห็นอารมณ์เห็นอาการเห็นความรู้สึกที่มันลดโลกียะลดลงโลกียารมณ์อารมณ์แบบโลกีย์แบบหลกลกแบบเคหะเนี่ยแบบหลกลอกโลกียารมณลดลงลดลงลดลงได้เป็นอารมณ์โล ก, กุตระนะเป็นธรรมารมณ์ได้ว่าทรงขึ้นเป็นอารมณ์ทางธรรม เกิดขึ้นก็ค่อยแข็งแรงก็ค่อยมีสภาพขึ้นสภาพขึ้นเปน็นเนคขมะสิตะจนมาอยู่ฐานอุเบกขาเนคขมะสิตะอุเบกขาเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละฐานนิพพานฐานนิพพานไม่สุขไม่ทุกทนนทนนข์กแล้วแต่นิพพานฐานนิพพานฐานอุเบกขาเนคขมะนั้นพวกเรานี่ก็ฟังมาแล้ว ว่ามันไม่ใช่เคหสิตะอุเบกขามันมีเหตุปัจจัยที่ต่างกันมันอุเบกขามันเฉยเหมือนกันเนี่ยมันไม่สุขไม่ทุกข์เหมือนกันน่ยแต่ที่ไปที่มามันต่างกันอันหนึ่งมันโลกุตระอิมอันหนึ่งมันโลกียะมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของโลกียะมันก็มีทุกคนน่ะตามเรื่องตามราวตามอย่างมันก็มีของมัน แลวนวนเวียนอยู่งนะั้นน่ะมันไม่เคยจบแต่ของโลกูตระน่ะมันจะจบมันจะไม่วนเวียนอีกมันจะอยู่ไปอยู่มาเอาสำเร็จจริงแล้วมันก็จะมีอุเบกขาตัวเดียวมันไม่สุกมันไม่ทุกข์มันไม่โทรมนมนั่สมมานั่อีกแล้วมันจะยงคงที่ยืนยงคงที่อยู่เบกขาเวกขาอันนี้เราเรียกว่าสังขารุปเปขาญาณ สังขารุเบขานุปัสสัญญาณตามเห็นความอุเบขาที่มันเกี่ยวข้องกับสังขารเกี่ยวข้องกับสังขารคือเราจะปรุงแต่งจิตของเราเองก็เรียกว่าสังขารเราจะสู้กับสังขารข้างนอกมันมายั่วมาปรุงแต่งเพื่อให้เราเนี่ยวันไวแปรปรวนเกิดกิเลสก็สังขาร และมันเฉยได้ทั้งสองประการเราจะปรุงขึ้นไปอนุโลมปฏิโลมคนอื่นกิเล่มันก็ไม่เกิดมากวนมันก็เฉยมันก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเราจะถูกกระทบยั่วยวนอะไรอะไรขึ้นไปอัน น, นี้ง่ายกว่าที่เราจะปรุงของเราเองมันก็เฉยได้ทั้งคู่ สังเขารูเปกาสังขารูเปาสังเสังขารเปขายานเมื่อเราปฏิสังขานุปาานัสสนาญาณทำอีกทำซ้ำตรวจตราไปอีกเรื่อยๆเืยๆยๆๆไปมันก็จะเกิดคุณสมบัติสังขารูเปกายานนี่แหละที่ขยายออเบขาออกเป็นองค์ห้าใครจำไม่ได้ยกมือขึ้น ยกมือจึงดีๆใครยังจำไม่ได้อุเบกขาห้าเยอะเลยอ่าอ่าบริสุทธาปริโยทนาตาอุทูกรรมัญญาปภัชราอ่าก็เข้าใจบางคนก็อ๋อยังไม่ได้เปิดในเอ่อเอ่อเอ่อจอมาให้ดูเนาะอ่าดียัขานก่อนขานก่อน น, อ น, นั่นแหละคือการทำให้เกิด การพัฒนาบูรณาการอุเบกขาให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆสังขารอุเบกขายานจะเจริญขึ้นในองค์หเนี่ยบริสุทธิ์แล้วเราก็มีการปฏิบัติในปัจจุบันทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันมันจะไปเป็นเวทนารอยแปดสามสิบหกสามก็คือบทบาทของสินี่แหละปฏิบัติแล้วก็อ่าน เมื่อเป็นเนคขมมะมันก็สั่งสมเนคขมมะจะแพ้มันบ้างเออจะพลาดมันไม่อุเบกานะมันยังแวบมันยังมีแอบแลบเบียทุกมัง่งสุกมัง่งอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดอาการพวกนี้เราก็ดูอ่านแล้วก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเรื่อย ๆ, ๆทุกปัจจุบันสามสิบปัจจุบันได้ก็สั่งสมร่าอดีตไม่ได้ก็สั่งสมราอดีตเหมือนกันนะอ่า แล้วใครอยากได้สังสมลงอดีตเนี่ยอย่างได้หรืออย่างไม่ได้ อ, ไ, ดอไม่มีใครโง่สักคนอย่างอย่างทำได้ใส่ลงไปในอดีตก็ใครก็อยากได้อย่างนั้นตกผลึกลงไปเพราะอที่พูดยืดยืจะย่าดเป็น 5,000 ันเฟรมต่อ ว, วินาทีนี่นี่แหละมันก็เป็นอาการพวกนี้จริงๆเลยปฏิบัติให้ถูกเราจะไปทันยังไงก็เถอะมันก็จะต้องมีเรื่องราวอย่างที่ ว่าเนี่ยนะตามรายละเอียดของละครนิทานเรื่องราวรีลาของมันเป็นอย่างเงี้ยทำได้ครบไม่ครบยังไงคุณก็ไปดูของตัวเองปฏิบัติแล้วก็ดูของตัวเองไปทุกทีไปรัพรอมกันนที่เราทำทั้งทุกปัจจุบันให้สั่งสมลงเป็นอดีตแล้วมันจะไปแข็งแรงต่ออนาคต36แล้วก็ทำอย่างนี้ละกาละสาม 36, 36, 36, 36เราจะรู้ทั้งโลกียะเคหสิตะอยู่ทั้งนั้นเลยก็มันคือคือโลกอะดูปรตีนเสียงสัพพตกรที่เราเอาวิชาเราก็เป็นอยู่อย่างโลกโลกพอตอนนี้เราชักจะแองขึ้นเป็นโล ก, กุตระเราก็เห็นมันทั้งสองอันนั่นแหละไอ้36เนี่ย1 8 2แเนี่ยเห็นมันตลอดเวลานั่นแหละ แม้คุณสามารถทํามันเกิดไปรู้เบกขาได้และก็ทําให้เป็นอภิอนเนชาพิสังขารทําได้แล้วไม่ต้องไปมัวไอ้นั่นอย่างแรกแต่ไปทําซ้ําทําให้มันแข็งแรงทําให้มันแข็งแรงให้ปริสุทธาประโยชธาตามุตุไอ้มุตุจิตก็ยิ่งคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วเก่งอย่างที่ท่านแปลในนี้ไว้ใน หายไปในกระแผนนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วอะอ๋ออยู่นี่กายกายมันก็จะเกิดกรรมมัญตากรรมมัญตาที่เป็นองค์ประชุมเรียกว่ากายกรรมมัญตาความคร่องแคร่วแห่งกายความคล่องแคล่วขอ ง, ง, รอ ง, ขอ ง, องประชุมแล้วองค์ประชุมอะไรคือความเป็นของควรแก่การงานกรรมเนี่ยของการงานของคนแก่การงานแห่งกองเวทนาสัญญาสังขาร เห็นไหมกายกรรมมัญตาเราตากระทบรูปอยู่แล้วเกิดเรื่องแล้วก็ปฏิบัติอยู่ก็เกิดกรรมกริยาที่เรากําลังทําอยู่มันก็เกิดกรรมมัญตาเกิดการปรับตัวเองปรุงตัวเองอย่างเป็นผู้รู้ผู้ควบคุมผู้จัดการเลยเรียกว่าสังขารในตัวเราเองจัดการของเราเองทําเองตกแต่งเองปรับปรุงเองมโนมนาศิการการทําใจในใจของเราทํามันเองทําให้มัน ดีขึ้นคุณก็ชำนาญขึ้นเป็นมุทุธาตุมุทุพูทธธาตุคล่องแคล่วขึ้นความคล่องแคล่วแห่งกายรวมหมดเลยการนี่คือองค์ประชุมนอกในทุกอย่างเกี่ยวกันเกี่ยวข้องกันถ้าจะระบุลงไปว่ากองเวทนากองสัญญาสังขารก็ตามก็คือจิตสามตัวนี่แหละทำงานอยู่สัญญากําหนดหมายกับสังขารนี่มันปรุงเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นอภิสังขาร เปลี่ยนให้มันกําจัดแล้วก็เปลี่ยนให้มันเมื่อกําจัดได้อะบุญญาพิสังขารแล้วก็พยายามทําอีกทาอีกให้เป็นอเนชาพิสังขารในเบื้องต้นนะปุญญาพิสังขารคือชําระกิเลสให้ได้เมื่อชําระได้แล้วก็อยู่ในขั้นอะบุญญาพิสังขารไม่ต้องปรุงไม่ต้องชําระเมื่อไม่ต้องชําระก็ทําซ้ําทําให้มันเกิดอเนชาอเนชาอเนชาอเนชาอเนชาอเนญชา จนมันตั้งมั่นไม่วันไวอย่างแท้จริงหรือเป็นการรักษาผลหรือการปฏิบัติเวทนาร้อยแปดให้มันเป็นร้อยแปดให้อดีตนี่มันแข็งแรงจนกระทั่งเป็นอนาคตเป็นอะไรเป็นศูนย์ถาวรยั่งยืนนิจจทุวังสัสตังอวิปรินามะธรรมังสังดังสังคุ ป, ปังนี่แหละ เพราะฉะนั้นท no ําไปในบริสุทธากับประโยชนาตานี่มันแปลว่าบริสุทธิ์เหมือนกันนั่นแหละประโยชน์ตาตากับแปลว่าบริสุทธ์อภัสรากับปภัสราก็แปลว่าบริสุทธิ์สมตัวในห้าเนี่ยมันมีตัวมุทุกับกรรมัญญายสองตัวนี้แหละมุทุก็คือตัวจิตกรรมัญญาก็คือตัวกรรมกรรมัญญาคือ kinetic energy มุทุกคือ potential energy คือตัวพลังงานศักดิ์เป็นตัวแกนเก่งๆ แ, แต่มันมีตัวเก่งอยู่ในตัวนะมันโปรตีนเทียบมันหมายความว่าพลังงานแฝงนะไม่ใช่ว่าพลังงานไม่มีอะไรเลยเก่งขึ้นเรื่อยๆแหละบทบาทจริงก็กรรมันยะกรรมันยตาการงานการกระทําออกมารูปนอกกรรมกิริยาของมันทําเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็เฉยเฉยเชือ่อเบคารักษาทานุเบคคาได้อยู่ บริสุทธามันก็คือตัวบอกบอก่งบอกว่ามันบริสุทธิ์จากกิเลสประโยชนาตาเมื่อเกิดบทบาทเกิดการกระทบสัมผัสเกิดการทํางานอื่นๆใดๆต่อไปอีกต่อไปอีกมันก็ยังรักษาความบริสุทธิ์อยู่ได้อยู่ถ้ามันไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่เ ป, ประโยชนประโยชธาตาในขณะที่มันมีเหตุปัจจัยถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยเลยมัน ง, ง่ายๆ คนที่ไม่ได้ปฏิบัติทำแบบพูธนั่งหลับตาเขาก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เราไม่มีรายละเอียดให้อธิบายแบบนี้หรอกนั่งแบบพูดนะม่เอายนั่งแบบฤษีอ่ะมันไม่มีอ่ะใช่ไหมถ้ามันไม่มีแล้วมันก็ไม่ต้องไปอธิบายเมื่อไม่อธิบายแล้วพระเจ้าจะจะเขียนเหล่านี้มาไว้ทําไมถ้าประหยัดไว้ทาไมอ่ะมาประหัดขึ้นไว้ทําไม ถ้าบัญญัติขึ้นมาแล้วมันอธิบายไม่ได้และมันเอามาฟังแล้วมันเอาไปปฏิบัติไม่ได้คนก็เพอเพอพกใช่ไหมแต่นี่เพอพกก็เปล่าใครปฏิบัติได้ลองปฏิบัติมามั่งได้มัง่งไม่ได้มั่งก็ช่างไม่ทุกคนเหรอทไมทุกคนก็จะได้คัดออก <c oughs> ก็มาเรียนแล้วเอาแต่ฟังแล้วก hmm. ็ไม่ปฏิบ hmm. so ัตินี hmm. ่มันจะอเรียยไปทําไม้ไม่ที่นี่ไม่ได้ให้ปริญญาให้ใบเฉยๆนะไอ้ยางงั้นน่าจะได้ใบปริญญาหรือไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วเรื่องจริงคุณทาแล้วได้ผลลุคุณนี่ต่างหากเราเราต้องการนะอันนี้คือบันดิตจริงอ่ามันถึงจะได้เป็นบันติตะเวทนิยา รู้เองเห็นเองเป็นบัณฑิตที่ปฏิบัติจริงมีความรู้ที่จอจากผลจริงเพราะงั้นในเวทนาร้อเนี่ยอธิบายขยายความมาหมดแล้วนะีถ้าเผื่อว่าคุณไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่มีความรู้อย่างนี้แล้วคุณก็ไม่ได้มีธรรมวิจัยสัมโพชงแบบนี้ปฏิบัติการปฏิบัติ เพื่อที่จะอ่านเพ่งรู้รู้อะไรรู้กิเลสรู้โกการรู้อะไรรู้ว่าเราใช้วิธีนี้แเป็นวิธีเผาวิธีประหารประหารหน้าเป็นต้นแล้วมันก็มีผลคุณก็รู้ว่ามันมีผลหรือไม่มีผลถ้าคุณไม่เห็นแบบนี้ไม่เข้าใจแบบนี้และก็ไม่ได้ทำแบบนี้ มันจะเกิดบรรลุธรรได้ไหมเนี่ยมันจะมีทางอื่นยิ่งกว่านี้ไหมไหเพราะฉะนั้นถึงพูดได้เลยว่าถ้าไม่ได้เรียนรู้สติปัฏฐานสี่ครบกายในกายก็ต้องเข้าใจคําว่ากายให้ดีๆเวทนาในเวทนาก็ต้องเข้าใจเวทนาให้ดีๆ อ, อย่างกายที่อาตมาพยายามมาแย่เลยฟังต่างนานาแล้วมันก็จะเกิด สภาพอย่างนั้นสภาพอย่างนี้ต้องรู้กายกะลิคือตัวกิเลสกะลิเนี่ยคือกายตัวกิเลส ท, ท่านแปลเป็นภาษาในพจนานุกรมท่านแปลกะลิว่ากายโทษนั่นทับศัพท์กันไปเรื่อยๆแล้วมันโทษอะไรมันนักโทษนักโทษประหารนะเนี่ยตัวนี้นะนักโทษประหารนะเนี่ยกายโทษสิ่งชั่วชา้าที่อยู่ในกายาขยายความไปกายกะลิ แลไอ้สิ่งชั่วชาติที่อยู่ในกายเนี่ยมันคืออะไรมันคือจิตแล้วจิตตัวไหนอ่ะก็อกุศลจิตหรือตัวกิเลสเนี่ยกายกะลินะครูก็จะต้องรู้ต้องเห็นตัวพวกนี้ท่านบัญญัติพวกนี้มากายต่งตางๆจนเป็นกายกรรมยตาอะไรก็แล้วแต่นะจงรู้ตั้งแต่กายกทุกด้วย ก, กายยิกระทุก กายทุตเจดีกายทุตตุลังกายถวายกายธาตุกายประษาธากายปัตสัตติองค์ประชุมมันสงบลงแล้วแต่กายปัตสัทธิถ้าเผื่อว่าเรียนรู้ไม่ดีคําว่ากายไม่รู้เรื่องก็ไปกายร่างกายมันแข็งอยู่นิ่งใบกดิกอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่กายปัตสัทธินี่คือองค์ประชุมแม่กระทบอยู่ข้างนอกตามหูจมูกลิ้นกายเราเกี่ยวข้องอยู่แต่จิตของเราในกิเลสไม่ดิ้นละสงบกิเลสไม่ทํางานแล้ กระทบอยู่ถูกยั่วยวนอยู่ถูกกระแทกอยู่เดีดเลยซ้ําไปมันก็ยังสงบอยู่นี่คือกายปัสจิติถ้าเน้นก็ไปหาจิตก็จิตปัจธิติไปเรียกชื่อจิตปัจจิติมันสงบเพราะเราได้ปฏิบัติหมดจนกระทั่งมีผลทางจิตจิตมันเจริญจิตมันดับตัวเหตุมันก็เลยเป็นจิตปัสจิติ นะถ้าไม่สามารถรู้มโนปวิจารสามรู้จักเนกขมะตัวจริงอย่างที่อธิบายสู่ฟังนี้อตมาว่าปฏิบัติปาย ง, งมงมคลำเพระเนาะฉะนั้นผู้ที่อธิบายหรือว่าพูดกันบรรยายกันมาถึงมาถึงยุคนี้แหละมา 2,600 ปีของศาสนาพุทธนี่ จึงไม่มีแล้วมันเสื่อมมันเพี้ยนมันหลุดมันหายไปตั้งใจฟังอีกทีหนึ่งถ้าเผื่อว่าไม่มีความรู้ดังที่อาตมาขยายความนี้ไม่มีนะถ้าไม่มีมันจะเกิดมีไม่ล่าโลคุตระไ ม, มไม่มีจริงๆนะและมันก็ไม่ได้อธิบายกันแล้ว โพธ่รักนี่มาจากขุมไหนโพขึ้นมาพูดอะไรนี่ถ้าไม่มีหลักฐานอยู่ในพระเตปิดกนี่อาตมา ถ, ถูกตัดคอไปแล้วพูดอะไรไม่เห็นมีหลักฐานยืนยันมันพูดเราเองตายแน่แน่เลยอาตมาตายแน่แน่เลยแต่ถ้าเผื่อว่าคนมีปัญญาฟังอาตมาพูดแม้ว่าถามสมมติว่ามันไม่มีในพระเตปิดกนะ ถ้าสมมติว่าอาตมาพูดอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนมีปัญญาสมมติตัวคุก็คุณก็ได้เข้าใจเอออย่างนี้เข้าเข้าท่าแฮะมันไม่มีในพระตรปิฎกแคเอาอย่างเช่นอุตุนิยามพีชานิยามจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามนี่นะไม่มีในพระตรปิฎกนะพระตรปิฎกเทรวะวัตก็ไม่มีแต่มีที่ใน ดีกาจา์อันนี้นดีกาจาย์ดีกาจารย์ก็เรียนรู้มาไม่ใช่พพระตะิฎกเล่มเดียวดีกาจานในผ่านมากี่ยุคกี่อะไรเนี่ยไม่ใช่มาเจอพระดีกาจา์บางองค์อาจจะไม่ได้เจอพระตะิฎกฉบับสยามรัตนี่เลยก็ได้พระตะิฎกฉบับอื่นๆคำสอนฉบับอื่นๆได้มันก็ต้องมีอันนี้มาอัตมาขอยืนยันว่าไม่มีใครสามารถบัญญัต อุตุนิยามผีชนิยามจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามนี่ขึ้นมาเองได้ทำไมยับบ่พระพุทธเจ้าอาจารทำไมไม่เชื่อไม่เชื่อว่าใครจะมีปัญญารู้จกักโอ้โหสภาพธรรมชาติห้าเนี่ยใครมันจะมาสามารถบังอาจมารู้ได้ขนาดนี้และแม้ว่าบัญญัติไว้แล้วถ้าเพิ่ไม่รู้ดี คุณไม่สามารถอธิบายออกมาให้คนเข้าใจชัดเจนาโอ้ยังงี้เองลยแล้วปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยไม่ได้หรอกอุตุนิยามก็ชัดเจนมาเป็นพลังงานทางฟิสิกส์ไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณชีวิตเลยไม่มีชีวะยังไม่เกิดชีวะเพราะว่าเป็นพีชะอ้าวเป็นชีวะแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นกำครองหรือวิญญาณครอง มันยังไม่ใช่กำครองวิญญาณครองมันยังไม่มีอารมณ์ยังไม่มีเวทนาพีชะมันชีวะจริงแต่มันไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปล ง, ปลงมันยากมันกำลังพัฒนาตัวมันหรือมันลงไปรับวิบากเท่านั้นสัตว์ได้ด้ชา น, นหรือแม้แต่มนุษย์ที่ยังรับวิบากอยู่ส อ, อ, อ, อนยังไงก็ไม่ได้หรอกรับวิบากหนักๆสอนยังไงก็ไม่ึ้น หรือบามียังไม่ถึงก็สอนไม่ขึ้นเหมือนกันมนุษย์นี่ก็ตามคนก็ตามเพราะคนที่อยู่ในเกณฑ์สอนได้เวญญาสัตว์มันก็จึงขึ้นมาได้เพราะเมื่อรู้จักพิจารู้จักจิตแล้วก็จิตนิยามเนี่ยถึงจะเรียนรู้กรรมได้จิตเดรัจฉานมันจะรู้กรรมได้ไหมไม่รู้เรื่องหรอกขนาดคนแท้ๆย่างสอนเรื่องกรรมยังไม่ค่ยรู้เรื่องเลยดีไม่ดีกันเลอะเลอะเถอะ กรรมอะไไปแก้กรรมอะไรไปเล่นนิเกลหลอกกันเรื่องกรรมนี่มากนิทานเยอะเรื่องเรื่องกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกมันเยอะแยะจนเรียกว่าอาจินไตยกรรมวิบากนี่เป็นอจินไต่ไม่นั่งดาวนั่งคิดไม่ได้จนทําขึ้นรู้จักกรรมแล้วก็สั่งสมกุศลสั่งสมเป็นบุญกับชละลักเกลเราไปแล้วจึงทรงไว้ทรงอยู่เป็นธรรมะนิยาม เป็นโลกุตระธรรมซึ่งเราแยกออกว่าโลกิยาธรรมกับโลกุตระธรรมนี่มันเราได้โลกุตระธรรมแล้วก็สั่งสมโลกุตระธรรมไปเป็นโลกุตระธรรม9ก้หรือเริ่มปฏิบัติไปตั้งแต่โลกุตระธรรม37ไล่ไปก็สั่งสมลงเป็นธรรมเป็นธมธรรมะธรรมะเรื่อยๆ เพราะ ง, งั้นถ้าเมื่อเรารู้จากบัญญัติรู้จากปริยัติดังที่กล่าวนี้แล้วแล้วเราก็ไปลงมือปฏิบัติพิสูจน์ก็จะเห็นจริงรู้จริงได้ผลจริงก็กลายเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมาตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่จิตดีจิตบริสุทธิ์จิตจสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นอยู่เหนือโลก อยู่เหนือโลกีไม่ได้หนีไปไหนรู้ทุกอย่างที่โลกเขาเป็นโลกเขามีโลกเขามองเมายังไงอยู่ก็รู้แต่เรามีโล ก, กุตรจิตมีจิตเหนือมันเหนือโลกเหนือพวกเนี้ไม่ให้มันเราลงไปปนไปวุ่นไปวายนะไปต้องไปอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่เรารู้แล้วรู้จริงๆถ้าจำเป็นต้องใช้ อาศัยเป็นปัจจัยชีวิตจะต้องกินก็กินจะต้องใช้ก็ใช้ไม่สมควรจะใช้ไม่ต้องใช้ไม่ใช้มันก็มีอยู่ในโลกนี่แหละเราก็ไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่มากก็เป็นคนมีแต่ปัจจัยสำคัญปัจจัยสำคัญไม่มีสิ่งฟุ่มเฟอือยอะไรมากมายลดลงลดลงตามลำดับมันก็จะน้อยลงเรื่อยเรื่อย มีแต่สิ่งจําเป็นชัดขึ้นชัดขึ้นมีแต่สิ่งจําเป็นชัดขึ้นมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่เป็นสิ่งจําเป็นเนี่ว่าปัจจัยสําคัญปัจจัยของสิ่งที่ต้องอาศัยก็อย่างที่เราเป็นเรามีเนี่ยทำๆกันไปมันจะลงตัวอย่างที่ว่าเนี่ยไปได้เรื่อยๆเกิดจากคุณสมบัติที่อธิบายคร่าวๆเวทนาร้อยแปดเนี่ยส่วนรายละเอียดของจิตในจิตนั่นจิตในจิต กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตจิตในจิตก็มีเจตโตปริยาณ1ิบไม่ค่อยได้พูดบ่อยเท่าเวทนาเจตโตปริยาน16บหจำเป็นคู่ๆมันมีอยู่ไม่กี่คู่หรอกคู่ที่หนึ่งแยกเป็นส า, ามราคัโทสามโมหะ กับวีตาราคะวีตโทสะวีตโมหะสามคู่สาราคะวีตาราคะสะโทสะวีตโสาสะสะโมหะวีตโมหะสามคู่นี่เป็น6แหละเหลือสิบจำไม่ยากจำพยัญชนะไปบ้างแล้วก็ไปรู้สภาวะมัน ลัสภาว่าอย่างหนึ่งมันก็คือมันประกอบขึ้นมาเป็นกิเลสราคะสะวีตาก็ทำให้มันไม่มีวีตาก็ว่าไม่มีทำให้มันไม่มีราคะทำให้มันหมดไปโทสะโมหะก็เหมือนกันทีนี้พอไปทำก็เกิดผลเริ่มต้นผลก็เป็นคู่ที่หนึ่งสังกิตังจิตตังวิกิตตังจิตตัง คู่ต่อมาคู่เจริญขึ้นมหาคตากับอมหาคต์สังกิตังจิตตังกับวิกิตังจิตังแล้วก็มหาคตากับอมหาคต์สังกิตังจิตตังคือทําได้เบื้องตน้นยังไม่ดีได้ชาญหนึ่งเป็นตน้นมันยังเหมือนนักขับจักรยานใหม่ๆเนี่ยอ๋เอเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่เอาเอวกดเอวคดเอวค้งไป อา้าลีกนะลีกนะไม่รู้ไม่ลีกชนนะที่จริงนะเขาดีกก็ยังไปชนเขานะเพราะมันคุมไม่ได้เขาดีแล้วนะลีกไป่นองององไปชนกขาอีกเขาดีไปนี่ชนมชนเขาอีกลีกนะลีกนะไม่รู้ว่าใครจะชนใครมันไม่เป็นอนะ่ะมันไม่แข็งแรงอนะ่ะมันก็พลาดก็พรั้งอยู่ไปชาตหนึ่งก็วิตกวิจารณ์ก็คือเรียนรู้ต ก, กะวิจต ก, กะสังคปะนี่แหละให้เห็นพฤติกรรมวิจาระจัดการกับจาระ จัดการกับพฤติกรรมของทุกอย่างนะตั้งแต่จัดการกิเลสออกก็เกิดพฤติกรรมใหม่ก็จรณะใหม่เกิด จ, จาระใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยคู่แรกยังไม่เก่งฐานศรัทธาสารเจโตก็ได้สังคิตตังจิตตังฐานปัญญาก็จะได้วิกิตังจิตตังฟุงสารเจโตก็กดดิง่ง ท่านก็แปลความว่าหดหูกับฟุ้งซ่านจิตังจิตังก็หดหูนี่กิตตังจิตังก็ฟุ้งซ่านแล้วก็ทำให้ดีขึ้นดีขึ้นถ้ามันดีขึ้นก็เรียกมหคตะหรือมหมหรคตะเป็นภาษาแบบสันสกฤตมหคตะหรือมหรคตะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นก็อะอะมหคตะหรืออะมหรคตะ มันไม่ยิ่งใหญ่มันไม่ดำเนินไปได้ดีขึ้นเจริญขึ้นเป็นมหานี่ยมหาแท้แล้วเนี่ยไปเรียนมาได้ไปรียนมาปรียนมาแต่ไม่ได้มหาคตะมหาคตะนี่คุณก็มไม่ได้เป็นมหาจริงหรอกนี่แหละมหาแท้ก็ทำให้มันดีขึ้นได้เจริญขึ้นจากสังกิตังก็เจริญขึ้นวิคิตตังจิตตังก็เจริญขึ้นทั้งสองอย่างนั่นแหละสายไหนมันจะหนักไปทางไหนแล้วแต่ หรือของเราเนี่ยบางทีมันก็เอออย่างนี้มันยังตื้อๆอยู่นะสังกิตตังเอออย่างงี้มันกระจายกระจายจับมันก็ติดนะเรียกว่าวิคิตตังจิตตังพอเป็นมหากตะขึ้นไปเรื่อยๆๆก็ดีก็เรื่อยดีก็เรืดีก็เรื่อยๆอีกคู่หนึ่งสังกิตังจิตตังจิตตัจิตตังคู่หนึ่งมหาตะอมากตะคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งก็คือสอุตรากับอนุตระ สอุตระก็คือมหักตะนั่นแหละดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกท่านแปลอันนี้อัตวาชมทุกทีเลยท่านแปลในภาษาในปัตตพิฎกอันนี้ว่าจิตที่ดีแล้วแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกมันดีกว่านี้ขึ้นไปได้อีกเราจะรู้เลยเราจะรู้ว่ามันยังไม่จบมันดีกว่านี้ยังได้อีกได้อีกยังไม่ถึงอนุตระก็ทํามันเรื่อยพัฒนามันขึ้นได้เรื่อ ถ้ามันเป็นไปหาจุดอนุตระให้ได้เพราะฉะนั้นก็พัฒนาอย่างที่ทำมาได้นั่นแหละเป็นปฏิสังขาปฏิสังขานุเบกปฏิสังขานุปัฒนายานทำอีกทำซ้ท ำ, ท, ำทวนทำใหม่ทำไปเรื่อยๆเพิ่มเติมอาเซวนาภาวนาเพอริกรรมังอะไรไปอีกๆๆมันก็จึงจะ ได้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเมื่อมันเก่งอุเบกขาเมื่อก็เก่งขึ้นอุเบกขาเมื่อก็เก่งขึ้นปัญญามื่ก็ดีขึ้นได้ทั้งจิตอธิจิตสิกษาได้ทั้งอธิปัญญาศิกษาเจริญขึ้นเจริญขึ้นวิมุตติกับวิมุตต์เก่งขึ้นวิมุตติยานทัศนน้มียานทัศนหน้เห็นวิมุตต์ก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนสมาหิตตังไม่อะสมาหิตตังแล้วอีกคู่อีกสองคู่ อนุตรังจิตตังเนี่ยอนุตระเนี่ยเมื่ออีกสองคู่นะั้นมันเป็นสมาหิตังกับเป็นวิมุตถ้ามันอะสมาหิตังอยู่มันอะวิมุตอยู่มันก็ยังไม่ใช่อนุตอนุตตระมันก็ยังอยู่แค่สะอุตระอยู่นั่นเองจนกว่ามันจะเต็มเป็นสมาหิตังสมาหิโตจิตเต็มจิตพอแล้ว เต็มแล้ววิมุตต์แน่นอนแล้วสมบูรณ์แล้ววิมุตต์จริงๆแล้ววิมุตต์ไม่มีอะไรไม่มไม่มุดแล้วตอนนี้มุดวิมุตต์แน่นอนมันไม่แวบมันไม่มีผีหลอกวิมุตต์จอนไม่มีไม่มีอะไรอีกแล้วพิสูจน์ไปตามกาละสามอดีตปัจจุบันอนาคตนั่นแหละไปเรื่อยๆเป็นส่วนแห่งอดีตก็ส่วนแห่งอนาคตมันซูนซูนซูนซูน อย่างสเสถียรเลยก็เป็นอนุตรังจิตตังเมื่อ น, นั้นเราจะได้ดอกว่าบอกได้ว่าเรามีอาสวะคยัยยานมีกตายานมียานที่จบแล้วหน้านาจบแล้วจบกิจแล้วทอนอาสวะสิ้นจนกระทั่งไม่เหลือแล้วได้ทวนด้วยอรูปฌานสี่จนสัญญาเวทยิตนิโรธชัดเจน อวิชาดับออวิชาสังโยชน์หมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือกิเลสอาสวะก็ไม่เหลือความไม่รู้ก็ไม่มีมีแต่รู้รู้รู้รู้ของจริงชัดเจนอาสวะก็ไม่เรือไม่เรือไม่เลือไม่เรือไม่เือเงียบไปไปถุณจังงังเนี่เงียบเลย ฮะโดนมนมนพระพุทธเจ้านี่ครังขนาดเลยนหมนี่มันก็จะเห็นเจโตปริยาน16หอาสะวะัอาสะวัค ย, ยานหรือว่าอนุตรังจิตตังที่เป็นสมาหิตตังที่เป็นวิมุตตจิตสมาหิตจิตวิมุตตจิตนะวิมุตตจิตหรือวิมุตตจิตสมบูรณ์ไปสุดท้าย ไล่ทวนทีเจโตปิญา16ไมกไปอ่านดูตรงนก็จะอานได้กันอ่านออกทีไม่ต้องอ่านดิสารค้าสารโตสารโมหะวีตาราค้าวิตโทสาวิตโมหะหกแล้วพอทำไปแล้วก็เป็นสังกิตังจิตังวิตังจิตตังเสร็จแล้วก็ทำให้มันเจริญขึ้นเป็น มกากกตะอมกะากตถ้าไม่เป็นก็มาอมกากกตะเสร็จแล้วอีกคู่ต่อมาสุตวรกักอนุตระถ้าทำได้สมบูรณ์เป็นสมาหิตังไม่ใช่อสมาหิตังหรือเป็นวิมุตไม่เป็นอวิมุตมันก็เป็นอนุตตรังจิตตังขอ้อภัยจะหาว่าคุยเลยถ้าไม่รู้จากสภาวะจะอธิบายออกไหมเนี่ย อาตมาว่าไปดำน้ำเก่งก็เย็นยิ่งยังไงก็อ่านไม่ออกเอาให้คนดำน้ำเก่งขนาดขั้นไหนก็เดาเดาไม่ออกดำไม่ดำไม่โผล่เลยนเออรู้แล้วยังอธิบายยากในพวกคุณพอเข้าใจแล้วเนี่ยไปอธิบายให้ได้อยางอาตมานี่นะก็มีคนที่อธิบายได้เก่งก็อาตมามีนะสมัยก่อนนี้นี่จันจันอะไร อ, อ, อ, อ 24, าา 24, ส่สิริจันโทนอธิบายเก่งอาตมาโหดังอาตมางาน24่าศสงพนยยสี่เนี่ยโอโหงานสวนลุมเนี่ยสิริจันโทดังเลยโอ้อธิบายได้เก่งเหมือนกระพุทธสมัยพระเจ้ามีพระกัจจายนะเนี่ยอธิบายได้เก่งอ่า พระกัจจายนะคนนิยมชมชอบมากเลยพระกัจจายนะโอโหหุ่นก็คลายพระพุทธเจ้าอีกด้วยอธิบายธรรมะก็เก่งด้วยคนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นพุทธเจ้าด้วยมาหากัจจายนะได้อายตายตายตา ย, ตา ย, ต, า ย, ต, ายตายเราคืออย่างงี้แย่เลยนะอธิบายได้เก่งด้วยคนก็นิยมแซะแถมหุ่นก็คลายพุทธเจ้าอีกคนหลงผิดอีกตายตายเดีเ๋ยวเฮากินหัวตายเลยมัด บำบลุงร่างกายให้อ้วนพรุยเป็นพระกระ จ, จายแจกสันสันมาผักระ จ, จายพระมหากระ จ, จายชนะอ้วนพรุยเลยไม่เหมือนพระพุทธจเจ้าแล้วทีนี้พระสังกัดจ่ายเรียกกันทุกวันนี้เรียกพระสังกจายพระมหากระจายชนะอธิบายเก่งพระเจ้าก็เคยตรัสว่าพวกสังพวกสงเนี่ย ภิกษุทั้งหลายนี่เก่งกว่าท่านหลายด้านหลายคนนั้นก็เก่งกว่าด้านนี้คนนี้เก่งกว่าท่านดังนี้ด้านนี้นท่านเคยเคยบอกว่าเขาเก่งกว่าเราเราก็กได้แต่คนนี้แต่คนอื่นเขาเก่งกว่าแต่ละคนนี่กว่าเจโตปริญานคือจิตในจิตธรรมในธรรมก็แบ่งเป็นสีใหญ่ๆโลกิยธรรมก็โลกุตสุลธรรมเอากุศลก็อกุศล ก, ก, ก่อน กุศลธรรมกับอกุศลธรรมเป็นโลกีกว้างๆเสร็จแล้วก็ลึกลงไปเป็นโลกุตระธรรมกับโลกียธรรมมันจะเป็นอย่างไหนเป็นธรรมย่างไหนี่เอาหมูใหญ่สั้นๆธรรมะสั้นๆเป็นตัวหลักก็สั่งสมลงเป็นโลกุตระธรรมเป็นกุศลธรรมที่เป็นโลกุตระที่รวมเรียกว่ากุศลธรรมก็เพราะว่าในกุศลนี้ มันมีทั้งโลกีมันมีทั้งโลกุตระถ้าเรียกว่าบุญธรรมมันมีแต่โลกุตระอย่างเดียวพระอริยเดชพระอรหันต์นั้นท่านทำทำราระกิเลสหมดแล้วท่านก็ยังทำดีต่ออีกเป็นกุศลต่ออีกเพราะฉะนั้นท่านจึงมีทั้งสองอย่างมีทั้งชาระกิเลสมีทั้งทาประโยชน์ท่านประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทั้งสองอันจึงเรียกกุศลธรรมไม่ไปเรียกว่าบุญธรรม มีแต่ชําระกิเลสไม่ไปเรียกว่าแต่บุญนี่มันกําหนดตัวชําระกิเลสมันมีนัยยะสําคัญที่ต่าง ก, กันกับคำว่ากุศลตรงเนี้กุศลมันโลกีก็ได้โลกุตระก็ได้แต่โลกีมันมากมันก็เลยกุศลเลยกลายเป็นโลกีนี่แหละมากกว่าแต่บุญนี่มันจํากัดเลยว่าเป็นเรื่องของการกําจัดกิเลสชาระกิเลสมันก็เป็นความดีงามกุศลทางโลกีก็ความดีงาม ลดกิเลมมันไม่เป็นความดีงามนลยมันก็ยิ่งเป็นความดีงามยิ่งกว่าใช่หมเ้ยทุ่มจะครึ่งแล้วอ้อาก็จบพอดีพอหยุดพอดีนะนี่เป็นเรื่องของปรมัทิี่เราจะต้องศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะสร้างตัวเราสร้างคน เรียนคุณค่าเรียนปรมาทัยเรียนปริญัติเรียนอะไรไปปฏิบัติให้จริงถ้าปฏิบัติได้ครบบริบูรณ์หมดกิเลสไปตามลําดับการมาพบรูปมพบรูปม พ, พบหมดจบอเป็นอราหารันมันไม่เห็นยากเห็นเย็นเลยอ้าวคนล้ออะไรล่ะไม่เข้าใจเหรออ้าว เข้าใจแล้วมันจะยากอะไรอ่ะมันอยู่ที่ภาคเพียนอะอยู่ที่ภาคเพียนตั้งใจให้ดีๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องไปเร่งเครื่องโยงก็ตั้งกายเป็นมนุษย์ทือทำอะไรก็ไม่ออกกลัวว่าไปตามธรรมชาติเนี่ยเราจับได้ทันเท่าไหร่ก็ค่อยๆทาไปเออวันนี้เรามาเก็บทวนดูว่าเออเวันนี้เราก็ไม่เผลอเนาะวันนี้เราได้เป็นไร ลาเม็ดอยู่วันนี้เออวันนี้ได้เก่งขึ้นวันนี้เก่งวันนี้แย่เว้ยอารมณ์ไม่ดีกิจการมันอะไรต่างๆน่ากว่าไปลงบัญชีบ้างเตะวิโชบ้างตรวจสอบตัวเองว่าวันๆหนึนน่งเราทําปฏิบัติไปไงแค่ไหนอัตมาว่าถ้าได้รู้ทฤษฎีรายละเอียดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะแม้เป็นนามธรรมาชัดๆอย่างนี้เนี่ยมันเป็นทางที่ชัดนะมันเห็นได้ใช่ไหมเหมือนงายของที่คว่ำเนาะ จุดไฟในที่มืดมันเหมือนจุดไฟในที่มืดชี้ทางให้แก่คนหลงทางอริรุจจาทั้งนั้นตัดไว้าภาษาพวกนี้เหมือนก็ชี้ทางให้แก่คนหลงทางเหมือนจุดไฟในที่มือดอ่าเหมือนงายของที่คว่ำอะไรอีกอ่ะมีอีกไหมนะอ่า ก็เนี่ยงายของที่คว่มจุดไฟในที่มืดนะที่ทางให้แก่ผู้หลงทางอะไรนี่นี่ทำของลึกให้ตื่นเออทำของลึกให้ตื่นเอาของลึกมาให้ตื่นไม่รู้ชัดๆอ้าวเอาละมัน32มสนเเมื่อกี้นี่เริ่มสายไปส0นาทีอ้าวตอนนี้ก็พักไว้ก่อน โลกุตระอัตมาจะพักข่าวหน้าจะไม่โลกุตระจะต้องไปนี่แหละทำได้ยากเป็นไปได้เต็นสัจะทำอะไรต่อไปเลยแต่บุญนิยมนี่มาจอดบอกแล้วว่ามาพักอยู่ที่บุญนิยมนี่จะนานโอ้ไม่ใช่มาพักอยู่ที่โลกุตระนี่จะนา น, นาวันนี้วันที่ยี่สพรุ่งนี้ยีบเอจะได้นายกวันวันนี้ได้ พอบตรอแล้วถามจริงอ่ะใครรุ่นเอกกัสมยศใครรุ่นใครไหมพอบตรอใครรุ่นเอกใครรุ่นสมยศใครรุ่นสมยศอ๋อนนรุ่นสมยศใครรุ่นเอกเอ๊ะน้องนั้นไม่รู้เรื่องกันหรอ ไม่รู้อ๋อมีอีกอันนึงรู้แต่ไม่รุ้นอ๋ออาจมาถามใครรู้นะใครอีกอันนึงมารู้แต่ไม่รุ้นเอออาจมาไม่ได้ถามเนอะอันนี้ใครรู้แต่ไม่รุ้นอ๋อหลายคนใครไม่รู้เลยเออสารภาพซะดีๆไม่รู้เอ่ออะอะไรนะ เอา้าก็ไม่เป็นไรก็รว่าไปเถอะก็เขาบอกว่าเขาเป็นคนของประวิดเอา้าถามพูดสรุป ค, รคุย แนะนำอะไรก็ว่าไปครับขอโอกาสครับเอาเลยขออนุญาตค่ะเอาทางนี้เขาได้แล้วเขาขึ้นนะคอ้าวอยากโชกันก่อนก่อนที่จะเข้าประเด็นปัญหาขออนุญาตค่ะการมรสการค่ะอ้าวอ้าฉันจะขอขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับพ่อทัดนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ได้ได้เล่าสองนิดก็ได้สมัยหนึ่งค่ะที่เรียนเทคนิคสมัยหนึ่งน่ยสามีของดาวเย็นเขาที่เรียนเทคนิคของเทพอ่ะค่ะฮะ สมัยที่เรียนเทคนิคกรุงเทพังค์ค่ะที่ดิฉันเรียนเ อ, อทีนี้วิทยาลัยจะอยู่ใกล้อาคารสมเคราลอทุกมหาเมฆใช่ไหมคะออออที่นี้นวันหนึ่งก็อ่านหนังสือพิมพ์ผ้าถัวหลายฉบับอววัน่าดาราทีวีช่องสี่ออวิกวังขุนพรหมลาบวตุต อ, อทีนี้ดิฉันก็ชวนเพื่อนบอกว่าเราไปตามรอยบ้านทีวีคนนั้นก็ดีกว่า อ, อ ก็เดินเข้าไปตอนพักกลางวันฮะเดินเข้าไปในอาคารสงเคราะห์ฮะก็ไปเจอบ้านร่มหันหน้ามาทางด้านนี้ถูกไหมคะอ๋อใช่ใช่หลังบ้านอาตมาเนี่ยทหันหลังให้เทคนิคแล้วก็รู้สึกจะเป็นบ้านสีขาวด้วยไหมคะอ่าบ้านมาคือสีเตอร์นาสีขาวมันไม่ขาวบ้านบริเวณกว้างมากๆแล้วก็รั้วโปร่งๆไม่กว้างทอกันหมดเลเนี่ยบ้านอาคารสงเคราะห์ ก็กว้างกว่าบ้านธรรมดานะคะทีนี้ดิฉันก็ไปยืนก่อรั้วก่อรั้วและรำพึงกันรู้ว่าเอ๊เจ้าของบ้านหลังนี้ไปไหนนะไปบวชที่ไหนแล้วก็มีเหตุมีแรงประดานใจยงไงทำไมต้องไปบวชด้วยข้อที่หนึ่งนะฮะแล้วข้อที่สองอันนี้หมายถึงที่ฉันคิดตอนนั้นนะคะเพราะว่าสงสัยจะผิดหวังชีวิตหรือเปล่า ทำไมถึงหนีไปอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ไม่น่าจะหนีจากบ้านอย่างนี้ไปเนาะค่ะอ่าวกำลังรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าตอนนั้นดิฉันยังเด็กๆอยู่นะฮะคิดตามภาษาเด็กอทีนี้แล้วพอหลังจากนั้นดิฉันก็ลืมไปเลยลืมว่าข่าวพ่อท่านไปยังไงไงอีกสิบสอปีต่อมาถึงจะไปเจอพ่อท่านที่สันตินะคะโอ้ที่อีอปีนึ่จบเทคนิคแล้วแหละแน่นอน จบเชียงใหม่แล้วด้วยค่ะตามพ่อท่านไปเชียงใหม่ด้วยจบเชียงใหม่แล้วอีกออตามไปฟังที่เชียงใหม่ด้วยเหรอไม่ค่ะพ่อท่านไปก่อนตามรอยตามรอยออก็อยากบอกว่าสงสัยทําไมที่ฉันต้องตามพ่อท่านอยู่เรื่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจหรืออะไรเพียงแต่วสงสัยว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้หายสงสัยแล้วค่ะไม่ต้องตอบเง้น อยากอยากจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกแค่นี้ค่ะครับอ้าวผมหินแสงชาวหินฟ้าถ้าไม่มาเจอพ่อครูอโศกนี่ผมก็คงไม่ได้ปฏิบัติธรรมไอพูดเป็นเล่นไปปฏิบัติมาตั้ง30กว่าปี4 0ปีไม่ถ้าไม่มาเจอไงฮะอถ้าไม่มาเจออ๋อไม่มาเจอนู่นแต่30ปีทีแล้วเพราะว่าเมื่อปีพศ ออคุณเองพูดถึงคุณเองครับอ่าเอาเพราะเมื่อปีพศสองพัน้อยีบสองผมก็มีใจคิดอยากจะบวชอยากจะศึกษาธรรมะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องโกนแล้วผมอ่ะครับญาติญาติบวชแล้ว่ผมก็มาที่อุบลญาติผมนี่เป็นลูกศิษย์หลวงหลวงปู่ชาก็พาไปฝากหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาก็ ออพอเย็นก็บอกให้ผมไปทำวัดที่ศาลาผมก็ขึ้นไปทำวัดเขาก็นั่งหายใจเข้าหายใจออกพอตอนเช้าผมก็คิดว่าถ้าหายใจเข้าหายใจออกผมก็กลับไปหายใจเข้าหายใจออกที่บ้านก็ได้ <c oughs> ผมก็มาหายาดผมที่อุบลเนี่ยฮะ <c oughs> ที่จริงหายใจออกหายใจเข้าอยู่ในซุ้มก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมา นี่ความความความคิดนั้นผมก็เลยมาหาญาติผมแล้วบอกว่าผมจะกลับบ้านแล้วผมไม่เอาหรอกที่นี่เขาก็ให้สารอาโศกมาเล่มหนึ่งผมก็อ่านดูก็เลยมาที่อาโศกให้อะไรมานะสารสารอาโศกโอ๋อให้ศานอาโศ ก, กมาเล่มหนึ่งให้สารอาโศกสารอาโศกที่มีอยู่ในวัดปะพง์เหรอไม่ฮะที่ญาติผม ที่ญาติ<า>ผมว่ผมมาบ<อ>มาพงครับมาบอกญาติผมว่าที่ที่ที่นี่ผมไม่ปฏิบัติหรอกเพราะว่าผมไม่ชอบญาติก็บอกว่างั้นเอาอันนี้ไปอ่านดูอืคือสาราโศกผมอ่านแล้วก็เข้าใจมีเหตุมีผลออืคือเข้าใจว่าคนเรามีค่าก็คือต้องเสียสละอย่าเอาเปรียบอะไรเงี้ยซึ่งเราเถียงไม่ได้ผมก็เลยติดตามมากับทาง อโศกก็เลยถึงบอกว่าถ้าไม่มาเจอพ่อครูไม่มาเจออโศกผมก็คงไม่ปฏิบัติธรรมครับค่ ะ, คะ <S <S <S อ้าวรจริงหลวงปู่ชาเนี่ยเขาบอกอ้อโพธิลักษ์พออาตมากออกมาบวชมาทำอะไรไรก็ไมมันมีข่าวคราวชื่อเสียงไปถึงหูท่านก็บอกว่าอ๋อลูกตาเฉยอะ เ, เหรอก็บอกลูกตาเฉยเขารู้จักพ่อดี ก็อยู่วรินนี่แหละรัมชาก็อยู่วรินนี่แหละแล้มันก็จะไปไหนเขาก็ว่าเขาก็ว่าแต่มานอย่างี้ไปตามภาษาเอาต่อเอากลบขอโอกาสค่ะเอาเดี๋ยวทีมกันใหญ่แเดี๋ยวตกลงกันซะก่อนโยกไปก่อนให้ดีตกลงกันให้ดีโยกก่อนยกคนแรกครับก็วันนี้ก็จะขอพูด สภาวะนีหนอนนะครับผมหินแก่นครับหินแก่นและควงกันโศกก็อยากบรรลุธรรมฮะอยากจะบรรลุเรื่องการกินนะฮะอยากจะมีนิพพานอยากจะหมดกิเลสเรื่องการกินในชาตินี้ให้ได้ครับก็ขอพูดสรุปวันนี้ผมฟังพ่อครูแล้วผมก็ทำเทวิชโชไปด้วยก็สรุปตัวเองว่าที่ปฏิบัติมาส2มสิสองปีนะครับพ่อครูครับ อดีตชาติชั่วในเรื่องกินของผมนะโอ้โหมันมันมันน่าดูนะชีวิตชาติชั่วการกินชั่วชั่วนะอดีตเนี่ยโอ้โหเกิดในเกิดอยุธยานะอูข้าวอูปลาปลาในขนวันเป็นลำเรือพ่อกูกุ้งปลาหอยผูป้ปลาแล้วพอหลังจากนั้นแล้วผมก็มาอยู่วัดอีก7ปีนะวัดพนัญเชิงวัดใหญ่ขนาดไหนพ่อกูโอ้ผมก็กินเต็มที่เลยนะ ผมมาเจอเพ่ะครูผมต้องมากินเจนะคิดดูผมเจอปีสองห้าผมก็อ่านหนังสือแล้วผมก็มาฝึกกินเจลม้มลุกคุก ค, คานฮะก็ตอนนี้ก็กินมาสรุปว่าตอนนี้เนื้อสัตว์นี้ผมผมหมดสุกแล้วนะผมไม่อยากแล้วก็ไม่สุกกับมันมีแต่ทุกข์นะถ้าใครเอาไก่ย่างมาให้กินในผมทุกทุกเพราะว่าโโหมันเป็นโทษแล้วมันก็เหม็น เอาปลาไม่กินนี่เหม็นหมดสุกต้งความกลางมันจะเหม็นเช่นว่าเราเจอของเหม็นเจอของร้อนเจอของอะไรนี่จริงมันมันรู้สึกมันจะเป็นพิษนะเหม็นมันก็เป็นพิษดีไม่ดินเป็นพิษจริงๆหรือว่ามันร้อนเรามันก็ไปเจอมันก็ร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นอย่าไปผลักอย่าไปชังอย่าไปอะไรมันดลไปเคยเคยไปช่วยช่วยน้องชายขายอาหารในโรงงานนะน้องชายขายอาหารในโรงงาน ก็ไปหั่นหมูหั่นไก่กับเขานะ <ừ. S 1> คนงานเขาป่วยผมก็ไปช่วยเขาอยู่หลายเดือนก็ทุกนะโอ้แต่เราเราก็ไม่กินกินไม่ได้แล้วตอนหลังก็ที่ปฏิบัต hm, ิเข้มเข้มก็ช่วงช่วงหลังเนี้ยไปชุมนุมเนี้ยผมก็ไปช่วยก็ผัดหมี่ไปช่วยก็ผัดหมี่โอ้โ <arrive> หไม่ใช่น้อยนะผัดผัดเหนื่อยมากเลยแต่ผมก็คุมกิเลสได้ผมไม่ได้กินหมี่แม้แต่นิดเดียวเลยผัดได้เขามีได้นี่นะผัดหมี่กกินหมี่ได้นี่ แต่ก็ไม่กินนะเพราะว่ามันปรุงแต่งว่าผมก็ลดกิเลสออกมาเลยไม่ปรุงแต่งเลยอ๋อเอาดีก็พลาดกินก๋วยเตี๋ยวไปชามเดียวก็ทุกข์ก็แย่ก็อ่านจิตเราอ่านจิตเราครับก็ช่วงนี้ก็ผมก็ลดกิเลสการกินมาได้ขั้นนี้แล้วก็คิดว่ามันคงจะต้องหมดแน่ๆภายอีกไม่กี่สิปีนี้นั่นแหละโพชเนมัตัญยุตานี่การปฏิบัติไม่ผิดเรื่องอาหารเนี่ยได้จริงๆริงมัตัญยุตาจะพัตตสง อีกคำหนึ่งของพระเจ้าได้วันนี้ผมฟังว่าครูแล้วผมก็อ่านจิตผักนะวันนี้ผมก็เอาผักมาหั่นแล้วก็กินมันเนี่ยโอ้มันฝืนมันไม่อยากกินมันไม่อร่อยมันไม่มันไม่ได้สุกนะถ้ากินข้าวกับถั่วเนี่ยมันมันสุกน้อยแต่มันก็ยังสุกอยู่มันง่ายกว่าผักมันหลายรสครับเอาผักผักมันหลายรสคือจะกินเพ่อล้างพิดเอาผักหลายชนิดมาหั่นแล้วก็คุกๆคุกนิดหน่อยแล้วก็กินนั่งกินไม่ต้ฝืนไปอันตรายตรกินผักก่อนแล้วค่อยกินข้าวทีหลัง ถ้ากินข้าวก่อนมันกินข้าวก็ไปเต็มกระเพาะกินผักไม่ลงมันกินยากก็กินข้าวครับกินผักกินผักนี่มันกินยากก็กินก็เห็นอนนี้สงนะฮะอดีตในป่วยเยอะแยะน้ำหนักหกสิบห้าเป็นหนุ่มนะตอนนั้นยี่สิโอ้โหตัวเจอสิวเสิร์ปวดหลังเป็นโรคสารพัดตอนนี้ไม่มีเลยครับสงของการกินเจครับอ่าจะได้ช่วย ลงปุยก็ได้เต็มที่นะไม่มีก็ดีแล้วก็คิดว่าจะพยายามต่อไปฮะเดี๋ยวก็จะพยายามอ้าวเลยอ้าวต่ออ้าวที่นี้อ้อยค่ะการขอโอกาสค่ะพอท่านพูดถึงเรื่องความวุนวัตาสงสารดิฉันเห็นมารอบนี้นะคะมาเรียนมาเรียนวอนบอรอบนี้ดิฉันก็เห็นความ วนของพี่น้องรุ่นเก่าๆวนกลับมาเจอกันพ่อท่านบอกว่าจะเป็นรอบที่กว้างขึ้นไม่ทราบว่าดิฉันจะเดินรอบกว้างขึ้นทันพ่อหรือเปล่านะคะักไปไม่เป็นไรก็ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านช่วยดึงดิฉันด้วยนะคะเพราะมาเธอเขาไม่ทิ้งหรอกค่ะยังไงก็เอาใจแมงมุมให้ให้ให้จับ ดึงขึ้นมาอยู่ดีก็จะพยายามจับใยแมงมุมทับมุมให้ถูกนะคะแล้วก็ได้ไปสวนนะคะวันนี้วันแรกพากันไปสวน9้าคนสวนโดมมลําโดมําโดมใหญ่โดมใหญ่นะคะก็ได้ไปเห็นแล้วก็ได้ลึกนะคะว่าเอ๊ไปด้ยหญ้าเหนื่อยเหงื่อออกทําไมเจ้าของเขาหนีเรยไปดายหญ้าเฉยเลยอ๋อก็เข้าให้แล้วดะคะท่านแล้วก็ยังอยู่ปะ ไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่แล้วเหรอไม่ค่ะอ้าไม่อยู่แล้วค่ะโอก็ไปทําความสะอาดบ้านอก็รอพี่น้องที่จะไปเฝ้าแบ่งเวรกันไปอยู่ไปเฝ้านะคะบ้านสะอาดสวยงามน่าอยู่นะคะอต่ถ้าน้ำมก็ตัวใครตัวมันมันมีสมบัติอยู่แล้วใครมาค้นไปหมดต้นดอกตอนนี้ผลมากค้นอะไรมันมีเยอะก็ได้ไปเห็นนะคะได้ย่านี่ย่า้นมันก็ออกมันก็ตายนะคะ แต่กิเลสเรานี่ด้ยากเอาเอากิเลสออกวันนี้วันพรุ่งนี้มันขึ้นมาอีกแล้วมันมันขึ้นเรื่อยไปยากนี่ไม่ตายสนิทนะอย่าเท้ะมันก็ต้องตายสนิทจนได้เพราะฉะนั้นได้มันเรื่อยๆแหละก็ต้องช่วยกันนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะอ่ค่ะเอาใครได้ไมโครโฟนอีกเอาเลยเอาเอาลนนะเอา ค่ะดิฉันวิ่งหมายค่ะอ๋อแม่ชิงกันย้ายเอาค่ะวันนี้ก็ได้ฟังพ่อครูได้ฟังพ่อครูเทศนะคะเกี่ยวกับาาการลดละกิเลสนี้นะคะค่ะก็รู้สึกว่าประโยชน์ที่ได้จากการเรียนวิชาที่พ่อครูสอนนี่นะคะดิฉันเห็นคุณค่านะคะอยู่สด้านนะคะคุณค่าด้านประโยชน์ของาศาสนาพุทธโล ก, กุตระคุณค่าทฤษฎีของพุทธโล ก, กุตระแล้วก็ คุณค่าด้านการปฏิบัติลดละกิเลสเห็นเป็นรู ป, ปรธรรมแล้วก็คุณค่าด้านการมีมรรคผลนะคะทีนี้ในส่วนนี้ดทนก็อยากจะ อ, อ่านที่ตัวเองได้บันทึกนะคะคุณค่าด้านการปฏิบัติลดละกิเลสเป็นรู ป, ปรธรรมนะคะตัวนี้ไม่ใช่ต ก, กะนะคะเป็นการาปฏิบัติ ตามที่พวกครูได้ได้เทศมามันมีสภาวะอาจจะยังไม่เต็มนะคะก็ก็มองเห็นนะค ะ, ะเมื่อเราเรียนรู้ปริยัติแล้วพระครูสมณโพธิรักษ์ได้สอนให้มีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันในขณะทำางานเป็นปกติไม่ต้องหยุดไม่ต้องไปหยุดตัดขาดกับการงานและไปนั่งหลับตาตัดขาดจากชีวิตจริงเป็นรูปแบบต้องใส่ชุดขาวเท่านั้นจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรม ซึ่งพอครูบอกว่าไม่ใช่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเห็นด้วยเห็นโทษภัยของกิเลสที่เมื่อทำตามกิเลสทำให้เกิดความเสียหายเกิดความทุกข์ไม่ผาสุกทั้งตัวเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องหลักการปฏิบัติก็คือต้องเห็นอาการกทุกข์ของที่มีกิเลสตัวนั้นเช่นกิเลสโลกธรรมตัวนินทาตัวนี้ทานยกตัวอย่างนะคะตัวนินทา การพูดในเชิงลบกับตัวเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำให้เราทุกจะออกจากทุกเราก็นำทฤษฎีที่เรียนรู้จากครูสอนโดยตั้งสติเรียนรู้นี่แหละคือผัสสะคือสิ่งที่มากระทบเราภายนอกผัสสะคือนินทาการพูดให้เราเชิงลบที่ไม่เป็นจริงเราใช้หลักโพธิปักคียธรรม37หลักแรกคือปริยัติหลักธรรมสติปฐานสี่คือ กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเราต้องมองเข้าหาตัวเองเมื่อเกิดกระทบผัสสะคือเสียงนินทาการพูดให้เสียหายในทางลบเป็นองค์ประชุมของกายภายนอกและเชื่อมต่อถึงกายภายในเป็นองค์ประชุมเกิดวิญญาณทางเสียงและปรุงแต่งทําให้เกิดเวทนาคืออารมณ์ความรู้สึกปรุงแต่งคือไม่ชอบใจ เกิดอาการทุกข์กิเลสดิ้นรนไม่สมใจไม่สบายใจเราต้องการเอาทุกข์ออกไปออกไปทำให้หายไปเราต้องทำการประหารกิเลสเรามีความชัดเจนว่าการพูดนินทานี่เป็นศักยะของเราเราชัดเจนไม่สงสัยจึงลงมือทำการประหารเป็นหัวข้อธรรมสำมับประธานสี่โดยใช้วิปัสสนาวิธีโดยการให้เหตุผล วิจัยวิจารณ์ว่าเป็นธรรมดาของคนที่ยังมีกิเลสเขาก็นินทาว่าร้ายเป็นเรื่องปกติสามัญเรานิ่งเสียแต่เรามีความจริงของเราและที่เกิดการนินทามันไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่และไม่นานมันก็จะหายไปเป็นการกำจัดมันโดยใช้วิคัมปนาะหานคนนินทาว่าร้ายไม่ตายหรอกเมื่อบอกสอนกิเลสเห็นอาการของกิเลสที่ทุกดิ้นรนร้อนรนลดลงเห็นความจางคลายของกิเลส ความทุกข์ก้อนทุกข์เบาบางลงมันจึงเป็นอาการนิ่งเฉยอุเบกขาเป็นเวทนาในเวทนาใช้มโนปปวิจารณ18เป็นเนกข ม, มัสิตาอุเบกขาเป็นการรู้กิเลสดับเฉยๆเป็นอุเบกขาเมื่อเกิดอาการกิเลสดับไม่ดิน้นไม่สุขไม่ไม่ทุกข์แล้วกิเลสตัวนินทาทําให้กาจัดออกไปโดยเป็นความว่างจากตัวนินทานี้นี้แล้วจึงเป็นนิโรธโดยกิเลสตัวนี้ถูกกาจัดไป จิตเห็นความจริงด้วยตาด้วยญาณภายในเห็นด้วยปัญญาแยกแยะได้เป็นวิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นความสว่างโล่งโปร่งเบาสบายแตกต่างกับอาการแรกที่เป็นก้อนทุกข์แต่ตอนนี้โล่งโปร่งสว่างเรากําจัดมันได้แล้วจิตที่เป็นธรรมะถูกต้องดีงามทรงไว้ในตัวเราในค ร, ครั้งนี้เราทําได้และเป็นต้นแบบจดจําไว้ หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเราต้องทำอีกทำให้มากเราผ่านได้ในทุกเหตุการณ์ผัสสะที่เกิดขึ้นสั่งสมเป็นอดีตที่เป็นความว่างได้ตลอดอวิชชาสวะแปดเหตุการณ์ผ่านมาในปัจจุบันเราทำได้ผ่านไปสะสมเป็นอดีตอนาคตหมุนเข้ามาเป็นปัจจุบันเราก็ทำได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทาได้เป็นปกติในการทำการงานปัจจุบัน ในการทำการงานประจำวันที่เป็นกุศลเมื่อกระทบและมีผลย้อนกลับเป็นคำนินทาเราก็ไม่หวั่นไหวรู้ความจริงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะเข้าใจตนเองรวมถึงเข้าใจคนอื่นด้วยการอยู่ร่วมกันจึง ก็สงบสุขปรุงสังขารการงานที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์ะต่อส่วนรวมส่วนกลางไม่เป็นประโยชน์ของตนดังที่กล่าวมานี้ดิฉันปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องใช้ได้ฉันใช้ได้เสมกัเป็นด็อกเตอร์ถามขอบพระคุณค่ะนมัศการเจ้าค่ะนมัศการเจ้าค่ะดิฉันหมวย เอาเลยเอาเลยหมวยมวยมาจากสมุดปาการนะเจ้าคะ่ะขอโอกาสรบกวนปรึกษาเจ้าค่ะเด็กกําพร้าที่เสียแม่ตั้งแต่เล็กๆนี่ยค่ะผู้ใหญ่ที่เมตตาเราเหมือนลูกอ่ะจะเยอะมากแต่มันมีความรู้รู้สึกบางอย่างว่าเขาไม่ใช่แม่ของเราหนึ่งในความรู้สึกแล้วก็พบว่าแม่บางท่านคือไม่ได้เมตตาเราจริงๆนะคะเพียงแค่ต้องการให้เราดูแลท่านเท่านั้นนะคะ คือหลวงปู่เจ้าคะเราจะทําใจตัวเองให้เรารู้สึกดีกับคนเหล่าดีอย่างไรแล้วก็ขณะที่รู้ว่าเขามีรักเราจริงอ่ะเจ้าคะแล้วถ้าถ้าใช้ความรักในมิติที่10บหรือในความในความรู้สึกของของของลักษณะนี้นะคะคือเราเ<ล>จะปฏิบัติตัวยังไงแล้วเราจะปรับความรู้สึกยังไงให้ให้มันรู้สึกดีในในใ น, ในกรณีนี้เจ้าคะอ่าอย่าพึ่งตะกร้อย่าพึ่งตะกร้ รถกิเลไปตามลำดับตามลาดับขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสเค่อยๆอธิบายมาน่นะไปตามลาดับพิ่งไปใหม่ไปเอาขั้นที่สิบโดนขั้นที่สิบนพระโพธิสัตว์นะขั้นที่เก้านี้อรหันนิพพานขั้นที่สิบนะพระโพธิสัตว์นะโอ้โหเล่นขั้นที่สิบเลยเหรอบรรลุสมาสัมปชัญาณเลย เราค่อยไปตามขั้นตามขั้นตามอ่านจิตของเราว่าในเหตุปัจจัยที่เรามีอยู่นี่แหละตั้งแต่ครอบครัวเราลูกเราหลานเราเราเห็นแก่ลูกเราเหลานเรามันคลายขึ้นไอ้ที่ไม่เห็นแก่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เห็นไม่ได้เอาภาระลูกเต้าทิ้งขว่างเลยไม่ใช่เราก็ดูตามหน้าที่แต่ว่าเราไม่ได้ไปําเอียงจนกระทั่งว่า ต้องให้ก่อนต้องให้มากเกินต้องเหลื อ, อ่องอะไรใคไรเกินก็สงเคราะห์กันไปอนุเคราะห์กันไปตามควรให้พอเหมาะพอดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องทำไปตามหน้าที่ต้องทำถ้าไม่ทำผิดเนี่ยน่นเพราะงั้นเราไอความรักนะี่คือมันความเกินของสิ่งที่ควรสิ่งที่ควรสงเคราะห์กันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันมันเกินไปอ่ามันเวอร์ไปมันมากเกินแล้วมันก็ห่วงแหนตีกรอบ คนอื่นที่ควรได้ควรมีควรเป็นมีความจําเป็นกว่าด้วยซ้ําแต่เราก็ไม่ให้เข้าแล้วเราจะให้แต่คนที่เราสงวนไว้เห็นว่ารักมาชอบไว้นี่แหละนี่แหละคือความรักที่มันอยู่ในกรอบแบคบค่อยๆขยายไปที่อัต ม, มขาขยายแต่แต้มิติที่หนึ่งสอสามสห้าหกอะไรไปเรื่อยๆคาว่าเข้าใจดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดเรียนนะรักสิมิติเพิ่มเติมอีกอขาโอกาสครับอ้าว <c oughs> ผมเย็นยิ่งครับก็ oh. กัดพี่น้องด้วยครับ uh, ฟังพรอครูเทศเรื่องทุกร้อยแปนะครับทําให้นึกถึงเพลงของชายเมืองสิงห์ครับทุกร้อยแซึ่งฟังแล้วเนื้อสาระมันก็เป็นเรื่องโลกิยะทั้งหมดนะครับถ้าพูดถึงเนกธรรมะเขาจะพูดการออกบวชคําว่าเนกธรรมะของเขาคือการออกบวชเท่านั้นเองมันเป็นภาษาที่เป็นภาษารูปธรรมหมดแล้วเป็นภาษาที่เป็นตัวตนบุคคลเราเขามาแล้ว มไม่เป็นปรมาิตครับผม <c oughs> ทีนี้ผมว่าถ้าไม่มีพวว่อครูนะในประเทศนี้คงไม่มีใครสามารถมาแสดงธรรมได้ลึกซึ้งเห็นชัดในจิตอย่างนี้เนี่ยผมหลายครั้งที่ผ่านมาบุพเพไปก็เห็นโต๊ะประชุมในจิตมีแต่ผีราคะมีแต่ผีโทสะมีบ้างบางครั้งที่มีโต๊ประชุมมีเทวดานั่งล้อมอยู่ก็ทําให้เห็นชัดโอ้มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็ต้องทํา ทำหลายครั้งหลายครั้งมันก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับก็ขอขอบพระคุณพ่อครูมากครับอ้าวอีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งคารวะอีกคนหนึ่งกราบขอการค่ะดิฉันเอ้าว่าไปเลยขออนุญาตนั่งได้ไหมอ้าวกราบขอค่ะดิฉันนามใหม่ภาคีริ้วมุงมาจนค่ะ เป็นแต่เพียงในสมมโนครัวแนมเพอยังไม่ยอมจ่ายบัตรประชาชนให้เพราะว่ากลุ่มกำมับสามรอบไม่ยอมไม่ยอมเปลี่ยนให้ฉันก็อาศัย อ, ออดออนหน่อยก็เลยได้สมความปรารถนาอ๋อได้แล้วเหรอได้แล้วค่ะแต่ออชื่อภาคคิริแล้วเหรอบัตปรชชตประชาชนยังไม่ออกให้คะ่ะอ้าวแล้วการฟังธได้แล้ ว, <ำ>ลว ไ, ไม่ออกแล้ได้ได้งไงอ่ะ เปลนในเฉพาะสัมโนครัวอย่างเดียวค่ะบัตรประชาชนต้องให้ผ่านเรื่องการเลือกตั้งอะไรไปก่อนให้จบสิ้นไปก่อนอ๋อเขาจะเอาเชือกนั้นไว้ก่อนเขาไม่กล้าเอาเชือออกไปประกาศเลือกตั้งการฟังธรรมนับวันที่ดิฉันได้รับฟังเนี่ยก็ถึงพริกถึงขิงถึงหอมถึงกระเทียมพริกไทยชูรสมากมายเกินดิฉันก็ มันเกิดธรรมรสนั่นเี่กิดธรรมรสมันเกิดความ อ, อร่อยในรสชาติถ้าเปิดจิตไม่หรีนะค ะ, ะดิฉันมีเชื้อพระชีนอกอโศกหมักดองมาซะสิบกว่าปีประหยัอาเพศปฏิเวสสงสัยปฏิบัติก็เลยงงงวยงวยพอมาฟังคำพ่อท่านแล้วฟังแล้วฟังอีกมันก็ไม่หนีอยู่กับเรื่องการลดกิเลสในตัวตนเองก็คือ การสั่งสมกรรมชั่วในตนไม่ทำกรรมชั่วสเสลยจะดีกว่าที่พ่อท่านพราหมสอนปัจจุบันวัย65สิบหามัดไม่อยากแก่ไม่อยากตายถ้าดิฉันพ้นวิกฤตไม้เท้าที่ส่งตัวเองได้ยามแสงกระทบตาข้างที่มืดสนิทมานานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบกำลังรักษาอยู่เป็นกรรมฐานสอนตนเองว่า การระวังระจัดการควบคุมอารมณ์ไม่ให้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสต่ำตามในตนในอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆที่ชันคิดว่าตัวเองผ่านวิกฤตไวทองมาแล้วแท้จริงดิชันสะสมเก็บอารมณ์ที่ถูกกระแสฟไฟฟ้าแรงสูงจากผัสสะในผู้คนร้ายระดับไม่ทันตั้งหลักคนร้าคนเล่าจนต้องรำพึงรำพนันมีวรร้องขอมัจุราชเจ้าขาอย่าเพิ่งทวงคืนดินน้ำระไฟจากฉันเลย ให้โอกาสฉันสักหน่อยเธอให้โอกาสดิฉันเพื่อจะได้ยังมีความรู้สึกว่ายังอยากอ ย, กอยู่อยากมีชีวิตอยู่ดูความวอกวนของกิเลสในตนบทบาทการแสดงละคร บ, บทสุดท้ายของดิฉันชีวิตสุดท้ายบนเวทีโรกุตระแห่งนี้จะกาดผู้กำกับบทไม่ได้เด็ดขาดคือศีลและอธิศีลของตน ขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศสักเล็กน้อยนะคะมันเวลาหมดแล้วนะ่เดยากให้สมณ ะ, ะค่ะคนิดเดียวค่ะเอาในความวก่นวนของโรคหมุนเวียนค่ะโรคเรานี่ก็เหมือนเวทีที่กว้างใหญ่เราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าต่างมีกรรมทุกผู้ทุกหมู่เราเข้ากับเราเกิดมาแสดงละครกัน ระครของโลกมีสศกมีทุกสุขปนครุข่าวาละครชัวดีจะดทนปนกันอยู่ๆก็ร้ายเราหายไปปรันกบแปลเป็นผ่านความดีเราวนช่งกลับจังกลายขอบคุณค่ะนี่ไปให้มหาจุลาเขามีอย่างนี้มั้งสิเรียนไปแล้วก็ขอเวลาเนี่ยทออาตมาขอแซ้อ้าวที่นี่นักบวช อ้าวนางบวชดิโอกาสคก่อนอ้าวสมณะสมนาก่อนก็ได้ได้คเจริญธรรมพวกเราทุกคนอ้าวโอนี่ตั้งใจมั่นจะพูดให้ได้ล้านครั้งเนี่ยตรงเนี้ยเคยอ่านคนคืออะไรอ่านไอ้ที่คํานําหรืออะไรเนี่ยอ่านแล้วก็มาเจอต้งบอกว่าต้องอ่านให้ได้ห้าครั้งอะไรตรงนี้นะมันมาอ่านได้ห้าครั้ง มันก็ยังไม่เข้าใจนะต้องอ่านอีกอ่าน10บครั้งสภาวะธรรมมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งคําเดิมนันแหละคําเดิมเลยแต่มันก็จะเปลี่ยน20ครั้งคําเดิ ม, มแหละมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือจิตเราจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆจากจากที่เข้าใจภาวะหนึ่งเหมือนกับเราเรียนเรียนหนังสือ จากพอหนึ่งขึ้นพอสองพอสพอพอหาะไรขึ้นไล่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะละเอียดมันจะเข้าใจอะไรมากขึ้นการจับไมค์เหมือนกันวันนี้จับได้สบายเลยนะ <c oughs> แต่มันก็ยังมีอยู่เล็กน้อยมันมีใบเราจะพูดอะไรดีอะไรพวกนี้การฟังทำเหมือนกันนะเพราะว่ายัางที่พ่อครูเทศแล้วเทศเอีกเนี่ยอาตมาว่าฟังอะไรเรื่องเวทนาอะไรร้อยแอะไรพวกนี้ฟังไม่รู้เท่าไหร่อ่านในอ Q ิ ลงแต่ละก็ไม่รู้ว่ากี่ครั้งน ะ, ะแล้วก็แค่นั้นแหละเพราะว่ามันอ่านได้แค่อ่านได้อยู่แค่คนเดียวแต่ว่าไม่จับไม่พูดเนี่ยคนอื่นเขาจะได้วิจัยวิจารณ์เลยผิดหรือถูกออกดอกเรื่องไม่ออกนอกเรื่องนะเขาก็จะมาบอกเขาจะอะไรพวกนี้เราก็จะได้หาวิธีว่าเราจะพูดยังไงนะพูดให้มันลักษณะที่ว่า ตรงซ้ายขวาอะไรพวกนี้ก็จะปรับมันก็เขาจะปรับปรับไปเรื่อยๆเหมือนก็เราขับรถอะไรนะขี่จักรยานใหม่ๆมันค่อยเก่งเท่าไรหรอกนะมันก็จะค่อยๆผ่านไปอะไรพวกนี้การเจ็บปวดก็จะน้อยลงอะไรพวกนี้นะเราฟังธรรมแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เป็นการปราบนะการปรบับราะเงากิเลสสนะอันนี้อ่านในสมาธิพุทธนะนะก็พ่อครูก็จะเขียนบอกไว้ว่ามันเป็นการปราบนะ การฟังธรรมของสัตบุรุษก็เป็นการทําให้ส ม, มาธิฏิเนี่ยให้มันสูงขึ้นให้มันเข้าใจอะไรมากขึ้นอะไรพวกนี้นะอย่างนั้นเราอ่ามางวดนี้นี่นจะมาที่อยากจะพูดนี่ที่อยากจะจับมาเพราะว่ามันความกล้าของเราที่จะต่อสาธารณนิยมั น, นมันมันไม่กล้างไงแต่ว่าอ่านหนังสือมีปัญหานี่อยู่คนเดียวปิดห้องอ่านไปสิใครจะไม่ยุ่งกับเราใช่ไหมแต่ว่านี่สายตานะ ตาถ้าสิบคนมันก็20เออถ้าสิบคนก็20ตานะถ้าร้อยคนก็200อตาอะไรพวกนี้คลายเงนินนะใจแต่และคนก็จะบอกว่าเอาแล้วท่านตั้ง้นมันไปไหนวนอยู่ตรงนั้นแหละอะไรพวกนี้นะ <laughs> ก็จะวนไปเรื่อยๆนะ <laughs> เหมือนก็เรากินกว๋วยเตี๋ยวอ่ะกินแล้วกินอีกเห็นเบื่อยทีนะ <laughs> กินข้าวมันไก่อะไรวกนี้กินแล้วกินอีกอ่ะไปยังติดอยู่ดียังเริ่มไม่ได้อยู่เลยขนมของหวานนะอะไรพวกนี้น ะ, จะเจริญธรรม กล่าวขอากาศค่ะกล่าวสักการพระท่านท่านสัมนาตเตโสซิกมากค่ะจรื่นทรามพระทุกคนนะคะประทับใจท่านดังแน่นนะฮะจะพูดให้ได้ล้านครั้งนะคะเช่นก็จะพูดให้หายตื่นเต้นค่ะคะ่ะฟังธรรมวันนี้รูเออคือยิ่งฟังก็รู้สึกว่าจะลึกซึ้งขึ้นทุกวันทุกวันอะนะคะแต่วันนี้ประเด็นที่สะดุดใจคือที่พระครูพูดถึงว่าอุปทานกับตัณหานี่มันไปด้วยกัน คือที่ฉันไม่เคยคิดประเด็นนี้อ่ะนะคะอ้าพูดบ่อยไปอุปทานกับตันหาค่ะใช่ค่ะแต่ว่าใจมันมันไม่ได้ทบทวนไงคะไม่ได้นำไปทบทวนแต่พอมาฟังมันรู้สึกมันสะดุดใจก็เลยลองทบทวนดูอ๋อคือมันมันไปด้วยกันจริงๆในอุปทานกับตันหานะคะก็เลยนึกถึงนึกถึงที่ผ่านมาว่าเราเป็นยังไงก็เลยนึกถึงที่เราเคยสมัยก่อนเราชอบกินรสช่องสิงคโปร์นะคะรสช่องที่เขาทาแบบเป็นสีเขียวสีแดงที่เป็นใช้อะไรนะแป้งมันทําอ่ะนะคะ เวลากินเรากจะใช้อะไรดูเขาให้ดูก็ไปนึกถึงตอนเด็กๆ ก, กินประจําอะไรอย่างงี้นะคะที่พอมาอยู่วัดน ะ, ะมันตามมาด้วยรถช่องสิงคโปร์มันก็ตามเรามานะคะแล้วก็ตันหากับอุปทานมนก็ยังทําหน้าที่อยู่ในเวลามีรถช่องสิงคโปร์ประเภทดังกล่าวมาีมาผ่านหน้าเรามาเออมันก็อยากจะกินพอมันอยากจะกินนี่พอเราเราก็มาตามพอเรามันอยากจะกินแล้วก็ตามรู้อารมณ์ ตามอ่านวินาาที่มันเกิดกับใจเราอะนะคะก็มันก็อยากจะกินพอเราอ่านพอเราตั้งใจอ่านอารมณ์อ่านวินาานี่ความอยากมันก็มีขึ้นขึ้นลงๆนะคะก็ได้เห็นก็คือมันก็ไม่เที่ยงนี่นานอารมณ์ที่มันตันหาตัวนี้นะคะแม้จะมีอุปทานได้มากมายแค่แต่มันก็ไม่เที่ยงมันก็ไอความทุกข์แล้วมันก็ขึ้นขึ้นลงลมันก็ลดลงเหมือนกันอ่ะนะคะแล้วอารมณ์ดังกล่าวนี้มันก็จับต้องไม่ได้ด้วยนะคะ คือพอเราตามรื้ออารมณ์เช่นนี้คืออารมณ์อารมณ์ที่เราฝั่งสมไปเยอะๆมันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะก็เลยเข้าใจนะว่าคือจะจัดการกับตัณหาของปัจจานในแต่ละเรื่องละเรื่องนี้ต้องอ่านวิหารนาให้เป็นใช่ไหมคะพ่อครูคะแค่แค่นี้ค่ะกับขอการฮะวันนี้เรื่องเรื่องที่เด่นก็คือกายิกะสำหรับดิฉันนะฮะกายิกะทุกเวทนาค่ะ คือบางครั้งเราก็เพลินไปไปคิดว่ากายกระตุกก็คือร่างกายมันทุกข์เมื่อก่อนนี้นะฮะจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยคิดว่ากายกระตุกก็คือร่างกายมันทุกข์เจตสิกกระตุกก็คือใจมันทุกข์ก็แยกกันเป็นส่วนๆเลยนะฮะพอมารอบนี้เนี่ยเราได้เข้าใจเรื่องกายชัดเจนเลยว่ากายนี่คือองค์รวมองค์รวมนี่แหละสัมผัสจากข้างนอกแล้วก็เข้าไปทุกข์ข้างในสัมผัสข้างนอกแล้วก็ไปตุกข้างในนี่แหละคือกายกระตุกกายกระตุกอะไรเนี่ย ก็วันนี้ก็ชัดเจนขึ้นแต่นี้ก็อยากจะพูดเรื่องหนึ่งที่เป็นรูปธรรมน ะ, ะคือสมร t a เนี่ยมั น, มนวัยมากเลยมันจะทำงานเรื่องนี้พูดอาจจะหน้าแตกเล็กน้อยขออภัยด้วยนะฮะหน้าตัวเองด้วยนะฮะไม่ใช่หน้าคนอื่น <c ười> คือวันนั้นที่พ่อครูเทศให้คุณหนึ่งฟ้ากับสมณะสิงหม่าน่ะนะฮะฉันเห็นสมร t ดีฉันมันขึ้นปั๊บเลยนะตอนต้นเนี่ยพ่อครูตอนต้นที่ฉันมาไม่ทันวันนั้นไปนวดไปนวดขาอยู่ มาไม่ทันก็ไม่รู้เรื่องนะพ่อครูดุสมณสิกมาศก็ไม่รู้เรื่องนะฮะอันนี้พูดตรงๆหน้าแตกหน่อยนะขออภัยสมณศิษย์ธรไม่่แตรตไม่่รู้้ังไไไมดฟก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรว่าวันนั้นมาตายมากันน้อยนะไม่รับผิดชอบเรื่องวัดบ้านโรงเรียนเลยสมณศิษย์ธรนีอันนี้ศิษย์ธรรมมาเล่าให้ฟังทีหลังตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่ว่าตอนที่พ่อครูเทศตอนท้ายอ่ะ ที่บอกว่าไม่ค่อยออกมาเอาเรื่องวนบเลยนะไม่ตามเลยไม่อะไรเลยเนี่ยนะตอนพ่อท่านเทศให้คุณหนึ่งฟ้าก็รู้สึกใจสงสารเขาห่วงเขาแต่พ อ, พ, อพ่อท่านเทศได้เราปุ๊บแหมภาษาเอามาถันกลับมาทันทีเนยนะมัตนตอนต้นมันสงสารคุณหนึ่งฟ้านะตอนนี้มันมาเถียงเพราะท่านไม่ใจนะมันก็จะเถียงใช่ไหมมันก็จะเถียงว่าเราเรากําลังอย่างงั้นเรากําลังอย่างนี้นะที่เเห็นใจที่ฉันเนี่ยมันก็ทํางานนะ มันจะบอกว่าเออตอนนี้พูดไปตรงนี้ไม่ดีเดี๋ยวมันเข้าข้างตัวเองนะจะไม่ขอปรุงแต่งพูดตรงนี้มันก็จะปรุงแต่งแต่เดอีกสักแป๊บนึงมันก็มันก็เข้าใจว่านี่เราเนี่สังขารเพื่อจะเป็นไปตามโลกีเหมือนเก่าเพื่อเพื่อให้นิสัยเก่าเก่ามาทำงานคือนี่แหละตัวตนเอามารับทันทีเลยมันก็รู้กันตรงนั้นเลยนะครับับๆสับๆมันเห็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่นี้มันมีตัวสมถะขึ้นมาทันทีเลย ดีละละเนี่ยเรามีพ่อท่านดุมีอะไรเตือนเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นความจีิงนี่นรู้สึกเลยว่าอันนี้คือสมถะนะไม่รู้ว่าคนอื่นฟังมันเป็นสมถะหรือเปล่าคือมันไปเอาเรื่องทางโลกเรื่องพ่อเรื่องลูกเรื่องความจริงจังอะ่ะ ม, มาจะมากบเกินฉันบอกลองเปิดใจจริงๆสิเปิดใจจริงๆอะ่ะที่พ่อท่านพูดอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกยังไงอะ่ะมันผิดจริงไหมมันทุกข์ไหมมันตกไหมอารมณ์ยังไง คือที่ฉันจะปรับไอ้เจ้าสมถะที่มันเริ่มมากัน้นความถูกความผิดเนะี่ยมันจะมาปลอบใจตัวเองเนี่ยนี่มันคือสมถะนะการปลอบใจการปกป้องตัวเองเนี่ยคือสมถะทุกตัวเลยโอ้โหเนี่ยเราเราอยู่กับโศกมา 20-30 ปีเนี่ยช้าเพราะเพราะตัวปกป้องตัวเองเนี่ย ที่จริงตัวเองมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีมันไม่จริงมันไม่เที่ยงเราก็ฟังมาตั้งนานแต่พอมีเรื่องอ่ะทำไมมันจะต้องมาปกป้องทำอะไรไม่ใช่ว่าบอกเรื่องถูกเรื่องผิดก็ฟังเรื่องจริงแล้วก็ทำตามนี้ได้ไหมแต่ต้นไม่คิดเยอะอย่างนี้นะตอนนั้นไม่คิดเยอะอย่างนี้นะตอนนี้จะพูดมาเลยพูดเยอะนะอันนี้เดียก็พยายามที่จะเดิฉันดิฉันก็รู้สึกว่าฟาร์มฉลาดมากมันทําให้เราเป็นคนไม่ซื่อเดีก็อยากเป็นคนซื่อๆแล้วก็ให้มันตรงกับวิปัสสนานี่ย แต่เจ้าสมถะเนี่ยมันจะชอบมามาปกป้องมาปกป้องไอ้สมถะเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนต้นมันก็เหมือนมิตรดีนแต่ตอนนี้มันเป็นศัตรูแล้วนะคะมันจะทำให้เราช้าในเส้นทางสายนี้มันเหมือนล่มมากันให้เราสบายใจเร็วเหลือเกินแต่เรากลับไม่รู้ความจริงว่าเราเหลืออุปทานอะไรพ่อครูดุบ้างได้ไหมเตือนบ้างได้ไหมทั้งที่ผิดจริงอะ่ะ ฟังแล้วอารมณ์รู้สึกเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาทำงานยังไงในในสังขารของเราเนี่ยพอดิฉันเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บมันมันก็เหมือนเหมือนได้วิปัสสนาหรือว่ามันก็เกิดวันนี้ก็จริงจริงจริงไม่วันนี้ฟังเนี่ยมีความสุขกับวันนี้นะแต่ที่พูดเรื่องนี้อยากจะพูดเพราะว่ามันเป็นรูกประธรรมที่ดิฉันเห็นว่าโอ้เราอยู่กับอโศกนะพ่อครู สายปัญญาสอนวิปัสนาแต่เราเนี่ยใช้สมถะมาปกป้องจิตที่มีกิเลสด้วยการปรับมันบ้างเข้าข้างมันบ้างพูดว่าไอ้ น, นี้เป็นความจริงบ้างแต่ไม่ใช่เลยมันปกป้องมันไม่ให้เข้าถึงตัณหามันไม่ให้เข้าถึงอุปทานมันไม่ให้เข้าถึงสัญญาที่วิปลาสที่โง่ยึดไปถูกผิดที่ยิงถูกผิดเพราะครูก็พูดตามสมมุติแต่ตัวเราเนี่ยทำไมถึงต้องปรุงแต่งไปอย่างนั้นเราก็พยายามที่จะ ดึงใจขึ้นมาสู่วิถีของวิปัสสนาะฮะจัดรายการก็จัดรายการวิปัสสนาข่าวแต่พอมีเรื่องเล่าเนี่ชอบสมถะ <c oughs> เอพออะไรไม่ถูกใจจะจะชอบสมถะอะไรที่ถูกใจก็สังขารไปมันก็เป็นโลกีแล้วอย่างนี้เนี่ยเราก็ฟังธรรมะก็เหมือนฉลาดแต่ว่ามันไม่ปลาดเข้าไปถึงความรู้สึกที่จะแก้จริงๆอะ่ะก็เลยคิดว่าก็จะตั้งใจมีสติกับวันต่อวันนะะที่จะเข้าใจตรงนี้ วันนี้ก็เกิดตัวหนึ่งปุ๊บที่เข้ากับตัวกิเลสตัวสังคิตตะวิกิตะนะฮะจะสรุปตรงนี้นะฮะคือจิตเนี่ยมันมันวันนี้เกิดภาษาใหม่ก็คือได้ไปเก็บไปเก็บเหล็กตอนประกาศเนี่ยเราเดินมาเนี่ยมันไม่มีคนมาฮนะรู้สึกจิตหดหูเล็กๆคือไห ว, ห, วหรือเปล่าวะฐานเรานะคิดอย่างนี้เลยนะหดหูเล็กๆก็จับมันได้ว่าไม่เป็นไรนะ่ะก็เดินมาแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องไหลามาไหลามาไหลามา พอไหลมาไอตัวหดหูมันหายไปมันก็เหลือแต่ตัวเอ่อกำลังจิตเนี่ยนะมันเจออะไรใหม่นะมันจะแวบแวบแวบบขึ้นมานะจริงๆมันไม่น่าหดหูนะมันก็เดินมาดีๆแต่มันมันเกิดความกลัวกับงานข้างหน้ามันก็หดหูพอไปเจอไอไอเล็กท่อนใหญ่ๆนะเราก็ไปคิดอีกว่ามันจะยกไหวหรือมันจะยกไหวหรือผัสจากนอกไปหาในเนี่ยแค่เหล็กแค่หินผาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราจับดีๆมันก็แทรก แทรกไปในตัวตนที่เรามีตัวตนทุกครั้งเลยนะฮะอะไรนิดหนึ่งมันก็มีตัวตนนะแต่ว่าเราชอบสมถะไว้หรือว่าไปคิดทั้งโลกไม่คิดว่าไอเนี้ยเป็นกิเลสที่เราจะต้องตัดน่ะมันก็เลยข้ามไปข้ามไปข้ามไปทั้งทั้งที่ทกิเลสนะ่ยมันยื่นคอยื่นหัวมาให้เราประหารมาให้เรารู้ความจริงแต่เราก็กลับไปมองแบบสมมุติทางโลกบ้างไปมองแบบสมถะบ้างมันก็เลย ก็เลยเป็นลูกที่เป็นภาระแต่พ่อครูมานานแสนนา น, น ะ, ะ ไ, มไม่เติบโตจริงจังะขอบพร ะ, ะคุณฮะนักวัชการค่ะคนสุดท้ายขอโอกาศพ่อครูครับผมสำนัมือมั่นปูรณกรักโรก็จะพูดถึงเรื่องของอาการยึกทุกนุะ์ที่ที่ยังไม่ได้ไม่ได้กล้าที่จะเปิดเผยออกมานะมีความสูดไม่กล้าเพราะว่า อเป็นการนี้เพราะว่ามันเป็น เ, เรื่องของกิจกรรมของนิสิตนะอวอบนะในเรื่องของในช่วงที่เป็นเทศกาลวันแม่นะนะซึ่งในช่วงนั้นนะมีกิจกรรมต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นนะใกล้ๆงานแล้วก็จะมีเกี่ิจกรรมของนิสิตเข้ามาด้วยนะีอามาก็พยายามจัดดูเวลาต่างๆทั้งหมดเนี่ย รู้ว่ามันกิจกรรมเข้ามามากเนี่ยมันจะใช้เวลาที่ยาวนานมากิจกรรมเนี่ยมัต้องบอกให้นักเรียนว่าต้องต้องต้องแสดงตรงกลางวันนะมีอยู่หลายรายการอยู่เหมือนกันนะทีนี้ก็มีรายการคอนิสิทธิ์เข้ามาแล้วเนี่ยนักเรียนผู้รับใช้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาวางไว้ตรงตำแหน่งไหนนะก็ตาหลังเราตกลงกันว่าก็ให้รายการคอน่สิทธ์เนี่ยเป็นรายการแรกก็แล้วกัน นะเพ า, ะาเป็นรายการที่ไม่เหมือนใครนะเพราะว่าของเด็กๆเนี่ยก็จะบูอ่าก็จะลึกถึงพรกคุณแม่เคารพแม่กราบแม่แมนะกราบบูชาแม่นะเขาเริ่มเลิธีกรรมหนึ่งที่มันจะฉิกแนวออกไปนะถ้าจะรายการแรกแล้วเนี่ยมันก็ดูจะเหมาะสมนะนักเรียนเขาก็คุยกันอย่างนี้แล้วก็คุยกับนี่สิ้นไปทีนี้รายการแรกเนี่ยมันก็ประมาณ4ี่โมงเย็นกว่ากว่าประมาณนั้นนะแล้วก็ ตอนนั้นคนอาจจะมายังไม่ค่อยมากเท่าที่ควรนะอาจจะดูลงหลเหลียงบ้างนะในก็นต่อไปก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละคนจะมา ก, กประมาณสักหกโมงนะหรือทุ่มหนึ่งไปมานิสิตเนี้ยก็เลยก็เลยจัดนะอีกครั้งหนึ่งนะเอาไปตอนกลางปงปลงลางเลยหลังจากเสร็จปลงรางแล้วก็แสดงอีกรอบนึง่งนะตรงนี้อนะไรซึ่งมามีความสุขว่า มันมันมันเป็นสองรอบเป็นเลยอะอะไรเวลามันก็ยาวไปยิ่งขึ้นเนี่บรรยากาศมันก็ไม่ไม่กลมเกลืนกับรายการวันแม่ที่เป็นมานี่เป็นความรู้สึกที่เอามานะอามาอาจจะมีความรู้สึกที่ผิดก็ได้แอามาก็เป็นการเจทุกเนี่ยคือไม่กล้าคุยนะไม่กล้าบอกกล่าวแม้จะมีการสรุปในการวันแม่ก็ตามแต่ก็สรุปได้หมดละแต่ว่าของนิสิตเนี่ยไม่กล้าพูดนะเพราะเกรงเกรงใจอยู่นะเกรงใจมากเลยทีเดียว อยากจะบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมอีกเนี่ยรายการวันเด็กนี่นิสิตจะมาร่วมอะไรต่างเนี่ยก็อยากจะให้ให้คุยกันอีกสักนิดหนึ่งนะาอาจไม่จาเป็นว่าต้องมีคนเยอะนะคนพั่งพร้อมนะนิสิตคือต้นจะออกมาดูขังดูลังการนะคนน้อยๆแต่ว่าแสดงความจริงใจนะมีความรู้สึกว่าบูชาพ่อครูจริงๆนะ แม้แมจะไม่ค่อยมีคนรู้เห็นมากนักกาตทมแต่เนี่ยแต่ว่าการทำของเราเองเน่ะเป็นจริธรรมเนี่ยเอามาว่าเป็นแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีความยัางยิงมากกว่านี่ก็เก็บเกี่อาไวน้น่ตั้งหลายวันนะวันนี้พูดมาแล้วคงจะสบายใจขึ้นก็ขออภัยทุกุกคนอาอ้าวอ้าวเป็นไรนี่ขอขมากันด้วยเนาะสมาร์ วันนี้เห็นข่าวจากนึงสื้อพิมพ์ลงทนะั้งสองฉบับนะวันนี้มติชนก็ลงไทยรัฐก็ลงน ะ, ะนุ่มเฮอร์แมนโกลแมนเฮอร์แมนโกลแมนใครเจอบ้างข่าวนี้นุม Man Man. ่มเฮอร์แมนโกลแมนทำงานเป็นช่างยังก็ต้องทำงานอยู่ ไม่ใช่ช่างหรอกเป็นคนงาน อ, อ่สุดท้ายแกก็ยังทำอยู่ไม่ยอมคนไม่ยอมให้ประเกเสียนเพราะว่ายังทำงานได้อยู่แล้วก็โรงงานก็ให้ทำยังแก้วข้ององไว้ทำงานอยู่อายุรอยเอ็ดอายุร้อยเอ็ปีอ่า มีรูปยืนยันยังทำงานอยู่เ อ, อ, อ๊เอ๊ะลิกยังไงไม่เข้าไม่เข้ามุมเข้าดิบตลอเลยอ่า ก็ดูเออเราเองเราก็ดูดูนอกจากจะอาตมาจะดูที่ว่าเออเขาก็ยังทํางานเก้าครองวงไวเหมือนคนทํางานก็ไปทํางานเช้าก็ไปทํางานเย็นก็กลับอยู่ตลอดเวลานะไม่ได้เอ็นอะไรดูดูเนื้อนหนังมังสาเขาเออเขาก็ก็ลงมีย่นยนเหี่ยวเหี่ยวลงไปบ้างอ่าก็ดูลักษณะคนคนที่มันผ่านอายุยาวมาพอสมควรนะแต่แล้วก็เออ เราอายุร้อยเอ็ดมันจะขนาดไหนเนาะตอนนี้คิดถึงตัวเองว่าเออเรานี่พยายามฝืนสังขารฝืนชีวิตเนี่ยไปให้อยู่เพื่อที่จะได้อยู่ทางานสรรค่าสร้างคนต่อไปไเรื่อยก็รู้สึกว่ามันมีการก้าวหน้าอยู่อย่างน้อยที่สุดชาวโศกเองอาตมาก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็เกิดวนอนวอ์ขึ้นมานี่ก็เป็นการชี้บ่งถึง การก้าวหน้าเป็นอัชฉรีชีข้ข้าที่เห็นมันก้าวหน้าขึ้นมาได้เรื่อยๆอยู่ก็ยิ่งมีพลังใจนะมีพลังใจที่จะช่วยกันทำขึ้นนอกจากที่จะฟังเข้าใจแล้วเนี่ยปฏิบัติให้ได้หน่อยนะนะปฏิบัติให้ได้หน่อยน ะ, ะถือว่าไม่จะเป็นรางวัลของตัวเองก็บอกว่าเป็นรางวัลให้แกอาตมากันแล้วกัน ปฏิบัติให้ได้น่าเอามาให้อัตมาบ้างมาบอกเออนี่ได้ไหยนั่นโอ้นี่เป็นอาหารหันต์แล้วเออมาบอกอะไรอย่างนี้เป็นโซดาเป็นส ก, กิทาแล้ว เ, ออเป็นอนาคาแล้วมันสามารถที่จะพอพบประมาณได้แม้มันจะผิดไ ป, ไปบ้างพลาดไปบ้างเพราะงั้นก็ถ้าเผื่อว่ามันถึงครั้งถึงคราวว่าเออควรจะต้องลอง ไม่ใช่ว่าเราจะคุยนะอยากคุยโม้ อ, อวดอยากจะอวดจะอ้างแต่ว่าเราอยากจะเออเช็คเช็คดูมั่งมันจะไหวไหมอะไรงนี้ก็ว่าไปดูคือมันมีหลักการมันมีหลักเกณฑ์มันมีมาตรวัดมันมีอะไรของพระพุทธเจ้าอัตมาว่าครบนะครบอัตมาพูดไปก็ไม่ใช่น้อยแล้วมันวัดได้เพราะฉะนั้นเอาไปทำดูจริงๆตั้งแต่ห ย, ยาบสังโยชน์ แต่สักโยชน์แม้แต่ขณะนี้กำลังพูดถึงโพธิปัจจยธรรมมันก็เป็นการวัดนะสามารถรู้แต่และโอ้นี่เราปฏิบัติได้ไหมใ น, นขนาดกายในกายเออเวทนามันได้ไ้ยเนี่ยจิตในจิตมันได้ไหมทาในธรรมอย่างวิปัสนาธรรมานุปัสนาเนี่ยกว่าไปในโน้นอ่ะธ ร, รมานุปัสนามีทั้งห้าหมวดอ่าหมวดห้าห้าหเจเจดสหหนวนห้า นี่วรห้ขันหาอายตนะหโพชชงเจดอริยสัจสี่อะไรเนี่ยซึ่งอธิบายแล้วมันก็จะชัดว่าเนี่ยคือหมวดธรรมต่างๆที่อัตมาสรุปแล้วว่ามันก็เป็นโลกียธรรมกุศลกับอกุศลโลกียะกับโลกุตระแต่ถ้าเอาธรรมในธรรมแจ ก, กหมวดเลยก็จะชี้ลงไปชัดเลยอัตมาหยิบไปพูดถึงโพธิปักเรยธรรมก็คือโพชงเจดนนี้โพชชงเจ ขั น, น, น, น, นห้านี่วันห้าขันห้าอเยชนห้าหโพธชงเจ็ดอริยสัจสี่มันก็ขยายความออกมาแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ถ้า ร, ารู้ว่านิ่วันห้าคืออะไรขันห้า ข, นาของเราคืออะไรมันสะอาดขึ้นไหมรูปเอทาสนาแจสังขารนีรู้แค่ไหนอุอปทานกันห้า ที่จะมันอุปทานด้วมันไม่ใช่มีแต่อุปทานมัจะขันหน้านี่วอน่าอุปทานขันหน้มันนี่คือความเป็นอุปทานด้วยว่เอออุปทานออกมาจากขันหนามั้งไหมอุปทานขันหน้าอายตนาหแล้วเราปฏิบัติครบจริงหรือเปล่าในธรรมปฏิบัติธรรมต้องเป็นมีอายตนาหตลอดเวลาและอายตนานี่มันจะเกิดเมื่อมีปัสสะถ้าไม่มีปัสสะมันไม่มีนะมันไม่ตั้งอยู่ที่ไหนด้วยอายตนามันเป็นเครื่อง มีเหปัจจัแล้วมันก็เกิดไม่มีเหตุประจัยมันไม่มีล่ะจริงๆผัสสะก็เหมือนกันมันไม่มีรัสสะมันก็ไม่มีผัสสะมันไม่มีเหตุท้อสองอย่างเหุประจัยสอย่างมันไม่มีผัสสะมันก็ไม่เกิดผัสสะมันเกิดอะไเจตนานะหรือแม้แต่ไม่เกิดกายไม่เกิดองค์ประชุมเนี่ยอัตมาก็พยายามอธิบายฟังแล้วแต่กายเนี่ยมันยังกลางๆมันยังมีสิ่ประชุมกันอยู่โดยที่ไม่ไม่ไม่เคลื่อนที่ อ่ามหาปุตตรรูปมันก็เป็นกายแท้ๆแล้วมหาปุตรรูปเนี่ยมันเป็นก้อนอยู่เลยมันประชุมกันอยู่นี่นั่แต่ถ้ากายในการปฏิบัติธรรมมันมีจิตวิญญาณเข้าไปร่วมแต่ถ้าเราไม่ไปสัมผัสไอ้กายตัวนี้มันก็ไม่เกิดสัมผัสเมื่ อ, อไรกายมันต้จะเกิดองประชุมร่วมทั้งข้างนอกข้างในอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเราก็จะค่อยๆเข้าใจชาติไปกันไปเรื่อยๆอายตนะมั่งโปดจงเจ็ดหรือถึ ง, ถ, งถึงขันอริยสัจสี่ ซึ่งรวมธรรมะลงหมดเลยก็ค่อยขยายความกันมันเป็นเครื่องวัดถ้าเรารู้สภาวะพวกนั้นแล้วมันวัดได้บอกเออเราทําได้นะเอออันนี้ก็ชัดอันนี้ก็จบเอออันนี้ก็ชัดและจบละอันนี้ก็ชัดมันไม่ใช่เรื่องคลุมเครือมันไม่ใช่เรื่องปิดบงังไม่ใช่ลึกลับแต่มันเรื่องละเอียดลึกซึ้งนิพุนาละเอียดถึงขั้นนิพานเออมันมีสภาวะให้เราได้ตรวจสอบจริงๆนะ ก็าตั้งใจศึกษาดูอ้าวก็จะได้เป็นพระอรหันต์กันบ้างอาอสำหรับวันนี้เลยเวลาไปไล่นาะทีเกือบครึ่งในหสองทุ่มเกือบครึ่งอ้ ะ, จะเจริญธรรม